อ่าเนขออนุญ <laughs> าตเรียนการขออนุญาตอารัธนาพระจัะนทร์เทศเรื่องประติจจะสมุปบาถกพระติะตจจะหรอที่ลุงรอบการเกิดนะครับตั้งแต่อวิชชาจนถึงสรบาบุรณะครับไปฟังอ่านในหนัสือแล้วก็ดูเทศคิดว่ายังไม่เข้าใจรายละเอียดพอเลยอยาก ไม่เข้าใจตรงตรงช่วงไหนลหละเพราะว่ามันก็ไล่ลำดับมาเป็นอย่างนั้นแะจากปัสสะมาปัสสะมาเวทนาตัณหาเข้าใจอยู่ใช่มไหมก็อย่างดูตรงกลางกลางสายก่อนที่เข้าใจง่ายๆ ท่านหาไปอุปทานก่อนปทานแล้วก็พบแล้วก็พบนะฮะีคิดผมคิดว่าผมคิดเข้าใจเอาเองแต่ผมคิดว่าผมไม่ใช่ลอีใจน่าจะเข้าใจคิดคิดว่ายังไงพบคือคิเข้าใจว่าพบมีพบเกิดการช่วยือพบพบคือความเป็นอยู่ปัจจุบัน ที่มีที่ชีวิตกำลังดำเนินไปณตอนปัจจุบันนี้แหละครั บ, รบพบหมายถึงสถานที่เกิดสถานที่ตรงนั้นก็คือมนุษย์วิสัยเทวด า, า, วาบ้างนร<ล>กนนบ้างก็ทุกอย่างพบเป็นที่เกิดของสัตว์ <c oughs> <c oughs> วิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยเทวดาก็เป็นเป็นพบเรลฉานก็เป็นพบ จิตไปตั้งอาศัยตรงนั้นครับแล้วก็ตรงที่วิญญาณนะครับได้ยินในหนังสือพระอาจารย์ในศีดีพระอาจารย์ว่าวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปใช่ไหมครับวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปใช่ครับท่านี้ตัวตัววิญญาณนั้นผมก็เลยสับสนว่าตัววิญญาณนั้นก็คือตัว ตัวที่เป็นเป็นวิญญาณที่ล่องลอยไปเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับหรือว่าวิญญาณตัวรู้ตัรู้สึกอารมณ์วิญญาณมีอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นไม่มีที่ล่องลอยอะไรวิญญาณเป็นธาตุรู้วิญญาณธาตุนะวิญญาณเนี่ยรู้แจ้งในสี่ธาตุคือรู้แจ้งในรูปในเวทนาสัญญาสังการก็ได้ขอขอทราบตรงรายละเอียดตรง วิญญาณมาเป็นรูปได้ยังไงครับอาจารย์ควิญญาณมาเป็นรูปมาเป็นนามรูปได้ยังไงครับเป็นเหตุเกิดของนามรูปไม่ใช่มาเป็นนามรูปเป็นเหตุใช่ไหมครับเป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมครับเป็นเหตุให้นามรูปมีขึ้นเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็วิญญาณเป็นธาตุรู้เวลายมอย่างเรามีผ้าอยู่เนี่ยผ้าเป็นเป็นตัวธาตุเนี่ยวิญญาณเป็นเป็นมือเนี่ยมาจับเนี่ยเมื่อ เมื่อธาตุรู้เนี่ยนะเข้ามาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าสิ่งนี้มีในมือมีในความรู้ของมันก็คือมันก็ปรากฏว่ามันรู้อะไร ร, รู้ว่ารู้ว่ามีผ้าในมือถ้าโยมจับไม้เก้าอี้ก็รู้ว่ามีเก้าอี้ในมือจิตธาตุรู้ไปจับอะไรละ่ะไปเกาะอะไรละ่ะนั่นน่ะตรงนั้นน่ะอ่า สิ่งที่มันไปเกาะไปตั้งอาศัยเรียกว่านามรู้พระสาสดาเปรียบเหมือนวิญญาณเหมือนเมล็ดพืช <c oughs> นะพบเปรียบเหมือนผืช น, นา <c oughs> พบเนี่ยคือตัวสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร <c oughs> วิญญาณไปรับรู้อะไรก็คือมีสิ่งนั้นในความรู้ <c oughs> ไม่งั้นรู้มันจะรู้อะไรล่ะมันเป็นธาตุรู้เฉยๆมันเป็นรู้นิ่งๆเฉยๆมันต้องอาศัยอื่นๆด้วยมันถึงจะสมบูรณ์ใช่ไหมมันถึงจะ รู้ได้ว่ามันรู้อะไรก็มันรู้เฉยๆเนี่ยถ้ามันไม่มีสีธาตุเนี่ยมันจะรู้ได้ไงว่ามันรู้อะไรใช่รัมอ่ามันก็ต้องรู้ว่าขณะนี้มันมารู้รูปมันมารู้เวทนามันมารู้สัญญาความจำได้ไหมรู้มันมารู้สังขารอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสี่ธาตุแล้วรู้มันรู้อะไรล่ะไม่รู้รู้อะไรเนี่ยก็เลยเป็นที่บาแห่ง อาศัยอาศัยกันเกิดขึ้นถูกต้องนามรูปมีได้เพราะวิญญาณวิญญาณมีได้เพราะนามรูปพระสุสรดาเปรียบเหมือนแสงแสงส่องมากระทบฝาเรือนนะถ้าฝาเรือนไม่มีก็กระทบดินถ้าดินไม่มีก็กระทบน้ำเนี่ยเหมือนแสงมันส่องอยู่ในน้ำใช่ไหมแสงปรากฏในน้ำแสงปรากฏในดินอย่างนี้ ท่นี้ถ้าฝาเรือนไม่มีดินไม่มีน้าไม่มีแสงมีมะมองเห็นไหมไม่มีนั่นนะแล้วแสงหายไปไหนนั่นคือแสงก็ไม่เกิดวิญญาณก็ไม่เกิดวิญญาณมีแต่มันจะปรากฏได้ให้เห็นได้เพราะว่ามันมีตัวธาตุและตัวธาตุจะมีได้ก็เพราะมีวิญญาณถ้าโยมนั่งอยู่เนี้ยไม่มีแสงเลยในเนี้ยโยมเห็นอะไรมัไหมไม่เห็นเลยนะใช่วิญญาณไม่มีถึงมีตัวธาตุก็ไม่รู้ว่ามันมีเพราะมันไม่มีธาตุรู้เข้าไปรู้ ใช่ไหมและถ้ามีแต่แสงไม่มีวัตถุธาตุเลยทั่วโลกธาตุมันจะเห็นอะไรไม่ไม่เห็นอะไรอ่ะเพราะมันมีแต่แสงมันต้องมีธาตุที่เมื่อแสงไปกระทบแล้วมันทําให้รู้ขึ้นมาว่าอ๋อไอ้นี้อะไรนะวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้นามรูปเป็นสิ่งที่ถูกวิญญาณเข้าไปรู้นะดังนั้นการมีของมันเนี่ยจึงมีขึ้นพร้อมๆกัน พระศาสดาจึงบอกว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเหตุว่าวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นการปรากฏมีขึ้นของมัน ธรรมาธาตุนั้นมีอยู่แต่ถ้ามันไม่ตั้งอาศัยกันมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้ น, นความเป็นตัวเราเนี่ยมีอยู่ในวิญญาณเพราะเรายึดถือวิญญาณว่าเป็นเราเข้ามาหลงยึดวิญญาณและวิญญาณก็เข้าไปรู้ในนามรูปอีกทีหนึ่งเราเลยรู้ว่าขนาดนี้เรารู้อะไรเช่นโยมเอาจิตมารู้ลมหายใจลมหายใจไม่มีชีวิตเนี่ยใครเป็นคนที่ กำลังรู้ว่าลมหายใจกําลังไหลเข้าไหลออกนั่นวิญญาณนี่เข้าใจไหมต่อด้วยตรงนี้ครับอันนี้ไม่เคลียร์หรือไม่ไม่ชัดเจนในความหมายครับตรงเอ๋ใหม่ก็ดังไหมนี่ฮัลโหลดังไหมเสียงออกไหมออกใช่ไหมได้โอเคได้ยินไหมครับได้ยินอตรงที่ ชรานี้ก็ทราบแล้วครับชะลานี่คือความเสื่อมใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ความเสโรณนัก็คือก็คือตายตายหรือแตกสลายก็นี่ต่อจากนั้นไม่ค่อยทราบความหมายที่แน่แน่ชัดครับโซกะปริเทวะโทมันอุปายาสะคือความโศวควา ม, มล่มลายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจพวกนี้อ๋อครับอ่าอ่าที่ครับถามเผื่อ อธิบายให้ให้ผู้อื่นด้วยกันอ่าฮะอ่าฮะเข้าใจเหรออ่าอ่าอ๋อนามสการค่ะท่านเอ่ออยากจะขอทราบว่จิตกับวิญญาณนี่ต่างกันไหมคะเหมือนการอันเดียวกันศาสดาบัญญัติอันเดียวกันในพระสูตที่องค์บอกพิสูจนทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมาโนคือใจบ้างวิญญาณบ้างนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน <Okay. S 1> มันเป็นสิ่งที่คนเขาเรียกกันว่าจิตบ้างใจบ้างนะวิญญาณบ้างเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับตลอดมีสามชื่อเลยนะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วอย่างบางคนนี้เขาบอกว่าเขานั่งเห็นอดีตชาติได้แบบนี้นะคะหนูอยากทราบว่านี่คือการนั่งนั่งแบบไหนคะ นั่งได้ชาติหรือว่าอะไรกันความรู้พวกนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าครูเจ้าไม่ได้มาตัดสรุปเรื่องนี้ครูคเจ้ามาตัดสรุปอริยสัจสี่การเข้าถึงความไม่ตาย ค, ความรู้เห็นอดีตอนาคตพวกนี้ปริพาชคทั้งหลายก็รู้กันแต่ก็ตายเรียบหมดนะแล้วก็ไม่พ้นนรกด้วยแล้วก็เข้านิพพานก็ไม่ได้นะอ่า อันนั้นผู้เจ้าไม่ได้มาตัดสรู้เรื่องรู้อดีตอนาคตแต่มันตัดสรุปทำที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าที่พวกรู้อดีตอนาคตทั้งหลายก็ต้องมานั่งฟังธรรมผู้เจ้าเพราะว่าเมื่อเขาตายแล้วถ้าเขารู้ธรรมะเขาจะเข้าถึงความไม่ตายเอาชนะความตายได้มรรคผลนิพพานนั่นเองคือสิ่งที่สูงสุดแต่ถ้าผูดด้ใดไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนะเจ้าคะคนถ้าคนลนนักษณะอย่างนี้เรา เราจะช่วยเขาได้อย่างไรคะก็ให้เขาได้ฟังธรรมเพราะถ้าเขาเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยเขาไม่มีทางบรรลุธรรมได้เลยต้องเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขยับฐานะขึ้นมาอีกนิดก่อนใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดหมายถึงว่าเขาฟังไม่เข้าใจหมายความว่าเขายังไม่ถึงใช่ไหมคะถ้าฟังไม่เข้าใจก็ต้องทําซ้ําให้เข้าใจไม่ใช่ว่าฟังทีเดียวแล้วจะเข้าใจนชค่ะอ่า เหตุในการเข้าใจมันมีทั้งหลายขั้นตอนคนคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยผู้เจ้าบอกต้องมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสงบลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ค่ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจําไว้ธรร ม, มะเนี่ยจะทนต่อการเพ่้งพิสูจน์ฉันทาความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งต น, น, นในธรรมมันต้องมีขั้นตอนอย่างเนี้ยไม่ใช่ฟังแล้วจะเข้าใจเลย ต้องเอาไปไขายควรด้วยต้องจำให้ได้นะจำได้แล้วมาค่ายควรอย่างนี้ขอบพระคุณทุกค่ะนครับอาจารย์ครับผมก็อนากกาบเรียนถามว่าที่พระอาจารย์กล่าวต้นว่าจิตหรือวิญญาณนั่นคือภาพที่รู้ใช่ไหมครับพระศาสดาเป็นคนบัญญัติครับครับพระศาสดาครับในสภาวะที่คนเราหลัก ไม่รู้สึกตัวหลับสนิทเนี่ยอ่า uh huh. จิตหรือวิญ ญ, ญาณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่ไหนอยู่ในกายก็ได้นะเวลาอยู่ในกายก็ไม่ได้คิดไม่ได้นึกอะไรไม่ได้รู้อะไรกายไม่รู้อะไรมันก็มาเกาะกายเฉยๆนะแล้วกายเราหลับเราไม่ได้ทําอะไรนะแต่ถ้าเราไปคิดไปนึกมันก็เป็นเรื่องราวขึ้นมาอ uh huh. นั่นหมายความว่าแม้ขนาดที่เราหลับสนิทไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเนี่ย uh huh. ตัวจิตนี่ก็ยังอยู่ ถูกต้องใช่ไหมจิตก็ยังทํางานฝนตกแดดออกโยมนอนหลับฝนก็ตกแดดก็ออกตามปกติวิญญาณขันธ์ก็ทํางานตามปกติของมันนะเพียงแต่ว่าเราไม่ไม่รับรู้ไม่รู้สึก เ, เราเนะ่ยรับรู้ในวิญญาณเพราะเราเนี่ยยังยึดวิญญาณเป็นตัวเราของเรารเราจะเกิดดับไปกับวิญญาณตลอดขณะที่หลับก็ตามนะอ่าเหมือนขณะที่โยมนั่งอยู่เนี่ยถ้าวิญญาณมันไปรู้ในธาตุอื่นความเป็นเราก็ไปรู้ในที่อื่น โยมนั่งอยู่นี่แต่ใจไปที่บ้านใจไปที่โน่นที่นี่นั่นน่ะความเป็นเราหายจากตัวที่นั่งนี้ไปแล้วไปทั่วเลยคิดเรื่องโ น, น่นเรื่องนี้อย่างเนี้อ่าขอบคุณครั บ, ร บ, รบมาสการถามค่ ะ, ะขนาดที่เราหลับนะคะแล้วจิตของเรานี่ที่ฝันนะคะอันนั้นหมายถึงว่าจิตออกข้างนอกหรือเปล่าคะจิตออกจากกายไปรับรู้นะมามธรรมอีกสามตัวที่เหลือแล้วะแล้วเรความฝันนั้นน่ะ มันเป็นมันถือว่าเป็นความจริงไหมคะหรือว่าก็ความคิดโยมเป็นความจริงไ้ยล่ะโยมคิดเนี่ยอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี้มันก็จริงของมันอนะ่ะแบบความคิดนะ่นะแต่ถ้าเราทำตามมันก็เป็นรูปนะปรากฏเป็นวาจาขึ้นมาแต่ถ้าเราโยนมันทิ้งไปมันก็เป็นนามธรรมลอยๆเกิดระดับไปไม่มีอะไรความฝันก็คิดนั่นแหละนั่งคิดจิตไปเกาะสัญญาสังขารใช่หม แล้วเราจะสามารถทำยังไงได้คะที่ว่าไม่ให้เราต้องนอนแล้วฝันนะคะทำสมาธิเยอะๆเ่ยจิตจะได้ฟุ้งไปน้อยลงนะขอบคุณค่ะมาสัการะครับ อ, อ, อ, อันนี้มีได้ยินมาจากบางที่นะครับอบอกว่าผู้ที่จะเข้าถึงพระธรรมของพุทธเจ้าท่านได้ต้องมีปัญญา รู้และเรียนในพระตรปิฎกให้เข้าใจถึงแม้กษัตริย์ขับศัพท์ยากๆไม่ใช่คําศาสนาเนี่ย น, น, น, นันพูดเองเนี่ยพระศาสดามีบัญญัติไว้หมดแล้ว น, นคือคําที่แต่งใหม่เนี่ยจะไปฟังไม่ใช่ใครก็พูดว่านี่เป็นนี่นิดทําอย่างนี้จะต้องอย่างนี้แล้วเราไปเชื่อหมดไม่ใช่ในพุทธศาสนาเราเชื่อพระศาสดาผู้เดียวต้องเป็นคําจากตถาคต ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการรู้ธรรมะได้ซึ่งใครก็ได้ก็มีอินทรีย์ห้าตรงนี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่การฝึกฝนนะถ้าเร า, าสั่งสมอินทรีย์หรือสุตตะมาน้อยล้วก็ทำให้มากสั่งสมให้มาก อาตมาบอกโยมอยู่กับลมหายใจเนี่ยโยมทำได้ไหมอ่าต้องมีบาลีอะไรไมาอ่าอย่างเนี้ยมันก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ภาษาแรกที่ใช้อ่ะมันคือภาษาแบบนั้นอ่ะมันก็แปลมาสิถ้าแปลมาแล้วมันสื่อให้โยมเข้าใจได้โยมอยากฆ่าสัตว์นะอย่ากขโมยนะโยมเข้าใจไหมล่ะใช่ไหมแต่ใครไปอยากพูดให้ มันหลวหน่อยว่าอปานาติปาตาเวรมนีโยมก็งงมันไม่ใช่ภาษาที่โยมใช้โยมก็ต้องถามมันแปลว่าอะไรอรหมาบอกไม่ฆ่าสัตว์แล้วยมไม่ฆ่าสัตว์ก็จบแล้วอะใช่อไหเนี่แหละมสการนะครับอขอโทษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าใจแบบชาวบ้านพื้นฐานจริงๆก็คือว่าให้เข้าใจความหมายของคำวัตทุ และแก้ไขในส่วนที่ความหมายว่าทุกนี่คืออะไรสำหรับตัวเราใช่ไหมครับใช่อย่างนั้นก็ใช่ก็คือผู้เจ้าบอกอธิบายไว้แล้วว่าทุกเนี่ยต้องทำอย่างไรทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้ยมต้องรู้จักนะทุกเนี่ยมีนัยยะที่ตื้นมีนัยยะที่ลึกนัยยะที่กว้างที่แคบความทุกจะบอกว่าเป็นความรู้สึกอันเป็นทุกข์ก็ได้หรือทุกจริงจริง ที่ความหมายที่ลึกซึ้งก็คือสภาวะธรรมธรรมชาติใดก็ตามที่มันแตกสลายได้เสื่อมได้ดับได้นั่นแหละเรียกว่าทุกข์สัตว์กองทุกข์ดังนั้นทุกอย่างอะ่ะก้อนน้าแข็งเป็นทุกข์ไหมเยอะมันละลายหมดไปได้ไหมมันแตกสลายได้ใช่ไหมมันหายไปจากเดิมได้เนาะ นั่นน่ะทุกขังคือแตกสลายดับไปก้อนหินก็ใช่ใช่ไหมไม่มีก้อนหินถาวรเนาน ะ, ะต้นไม้ไม่มีต้นไม้ถาวร อ, อยเนี้ยแม้แต่ดวงดาวก็แตกสลายไปได้นะไม่มีอะไรถาวรในในโลกทาต น, นี่นั่นน่ะทุกทีนี้ไปนามธรรมความสุขเคยมีความทุกข์เคยมีใช่ไหมความสุขเกิดแล้วดับไหมดับไม่มีใครสุขถาวรใช่ไหม ทุกถาวรก็ไม่มีเพราะในอดีตโยมก็ทุกมาเยอะเลยแต่ทกุก็ดับไปดับไปเป็นเรื่องเรื่องเรื่องหมดละหมดราคาไปละทุกนี้ไม่ทุกละอย่างเนี้ยนามธรรมก็ยังดับเลยนะรูปนามดับหมดสิ่งที่เดินไปสู่การดับการแตกสลายได้เนี่ยผู้เจ้าเรียกทุกข์สัตว์ความจริงคือทุกข์พระองค์จึงบอกขันห้าเป็นทุกข์ธรรมชาติทั้ง5เนี่ยรูปที่ประกอบด้วยมหาพุทธธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นทุกข์คือแตกสลายได้ ดินน้ำไฟลมที่ไหนไม่เป็นทุกข์มีไหมไม่มีแตาสลายหมดต้นไม้ภูเขาก้อนหินก้อนขวดแตาสลายหมดนะเปลี่ยนแปลงหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์หมดเลยทุกอย่างดับได้หมดไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับสิ่งที่เกิดจะเดินไปสู่การดับนี่คือสัจจะที่พระเจ้าเข้าไปรู้จักเข้าไปตรัสรู้สมุทัยกับ น, นิโรดนั่นเองเ น, นี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงตรงนี้ ร, รู้ความจริงตรงนี้คนนั้นเนี่ยไม่ต้องตายต่อไปเพราะเขาจะปล่อยวางสิ่งที่แก่จากตายแล้วเขาจะเข้าถึงความไม่ตายซึ่งเป็นสิ่งที่รู้ห้าธรรมชาตินี้ทั้งหมดแต่ธรรมชาติที่รู้ห้าธรรมชาตินี่มันไม่เกิดไม่ดับคุณเจ้าบอกมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะอยอดจากนักาิชากา ร, าารครับ อ, อวิชชาเนี่ยเป็นตัวทมให้เกิดภพชาติใช่ไหมครับ อวิชามันตัวแรกเลยมันจะพูดอย่างนั้นก็ถูกหมดอ่ะอวิชาเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเนี่ยผัสสะเวทนาตหาภูทานหมดเลยทีนี้ภพชาติเนี่ยมันทําให้เรามีรูปกายปัจจุบันอผมสงสัยว่าที่ท่านศาสดาสอนด้วยว่าถ้าเราละอวิชามันจะได้แสดงว่าถ้าเราละอวิชาได้เนี่ยรูปกายเหานี้เราก็ไม่มีถต้องใช่ไหมครับไม่มีในความยึดไม่มีในความยึดแต่ยังมีอยู่ใน ในในในโลกนี้ในภพชาติในโลกนี้จนกว่ามันจะแตกแตกทาลายกว่ามันจะพังไปเหตุถ้ามันพังก็ไม่มีแล้วมันก็เป็นท่าดินน้ําไฟลมไปครับงั้นผมพอเข้าใจแล้วครับเพราะตอนแรกคิดว่าทาระวิชาเสียได้เนี่ยหมายความว่ารูป ก, กายก็ทิงนะ้งนณะตอนนั้นเลยเ<อ>นั่นคือไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ทิ้งทิ้งจากอุปท า, านทิ้งจากอุปท า, านอย่างเงี้ยใช่ไม่ไม่ยึดแล้วหมดแล้วหมดราคาครับขอบพระคุณครับ พระอาจารย์ครับเมื่อคืนตื่นมาตีสองแบบว่าทึ่งในปฏิปทาละนันทีมากค่ะพระอาจารย์คือมันเห็นออกมาเลยว่าการละนันทีเนี่ยไม่ยุบไม่ก่อทำลาย เ, าเป็นปฏิปทาที่ละเอียดมากค่ะพระอาจารย์ เ, เพราะว่ามันสามารถที่จะทำลายขันแต่ละขันทิ้งทิ้งทิ้งทิ้งจนกระทั่ง ท, งทิ้งตัวสุดท้ายคือตัววิญ ญ, ญาณแต่ในขณะเดยียวกันเนี่ย ถ้าเราเดินอีกสายหนึ่งเนี่ยคือการทําสมาธิเนี่ยแล้วค่อยไปเห็นการเบื่อหน่ายของของขององค์สมาธิเช่นเราเข้าจตุจารเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเสวยในตัวองค์สมาธินั่นก่อนจนกระทั่งจิตเนี่ยอิ่มแล้วค่อยคลายแล้วก็เราค่อยเห็นการเบื่อหน่ายดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสมาธิหรือแม้กระทั่งอาลูประชานก็ตามเนี่ยโยมน้อยคิดว่าถ้าเราไปเดินสายนั้นเนี่ยมันช้าพระอาจารย์ สู้สู้ปฏิปทาที่ที่ละนันทิไม่ได้เลยมันมันละเอียดกว่าเยอะแล้วก็แยบคายกว่าเยอะค่ะอาจารย์คิดถูกไหมคะก็อยู่ที่คนจะละนันทีได้เร็วได้ช้าไงคนที่เข้าไปไปเสพครบสมาธิมากบางคนเสพครบวินาทีเดียวก็เข้าใจแล้วบางคนต้องเสพครบเป็นปีมันอยู่ที่อินทรีย์ของเขา ถ้าคนเข้าใจสมาธิทุกระดับเข้าได้ขนาดจิตเดียวเข้าใจอ๋อทุกอย่างไม่เที่ยงภาษาริบุตรเข้าสมาธิได้ทุกขั้นและเห็นว่าเออสิ่งใดไม่มีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีสารละถ้าออละนันทีได้ช้าหน่อยช้าในส่วนไหนในส่วนรูปหรืออรูปอย่างนี้อีกมันก็เป็นไปนตามเหตุดังนั้นมีสิทธิ์ได้จะตุติชานก็ได้หรือจะไม่ได้ก็ได้ เพราะรั้นนันที่ในอะไรในรูปเสียงกินรถนะก็ได้ปฐมฌานไปทุติยฌานไปอย่างนี้แต่ทันละความยึดมั่นในขันทั้งห้าเลยทีเดียวก็หลุดพ้นไปเลยนะ่เพราะนันที่มันครอบคุมทุกเรื่องอรูปเสียงกินรถธรรมลมเป็นสิ่งที่มันเพลินได้หมดเลย มันกว้างนันทิมันกว้างมากมนะเพลนกับอายะนะก็ได้เพลนกับเวทนาก็ได้เพลินกับตัณหาได้หมดคือทิงท้งทิง้งทุกทิ้งทิ้งทุกอารมณ์ที่เสวยใช่นี่ใครจะทิ้งได้มากได้น้อยแค่ไหนแค่นั้นเองซึ่งบางคนก็ทิ้งในส่วนรูปก่อนนามยังไม่ได้อย่างเนี้ยนะก็ยังเพลิอนอยู่ค่ะกระเพิงค่ะ กาลในวสการครับจากการศึกษาเรียนหนังสือมาเนครับเรื่องประวัติพระพุทธเจ้านะครับเคยเคยอ่านว่าพุทธเจ้าเนี่ยท่านใช้พุทธวจนะเนี่ยทำให้สาวงท่านเนี่ยได้บรรลุธรรมใช่หมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยที่ที่ผมอยู่ในพุทธศาสนาในปัจจุบั น, นผมมักจะเห็นว่าพระหลายรูปพระอาจารย์หลายรู ป, ะ จ, ปจะบอกว่าต้องทำสมาธิก่อน จึงอยากทราบว่าสมาธิเนี่ยถ้าไม่ทําสมาธิแล้วเนี่ยจะบรรลุทมได้ไหรือไม่ครับพุทธเจ้าตัดรักษาศีลจนถึงวิมุตต์ก็มีพุทธเจ้าตัดตั้งแต่มีปัญญาก่อนมรักแปดยังเริ่มปัญญาก่อนเลยก็มีอะไรก่อนก็ได้โยงต้องไปดูที่ศาสดาบัญญัตินะลงบัญญัติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเริ่มก่อนได้หมดเลยนะ เริ่มปัญญาก่อนหลุดพ้นเลยก็มีนะไล่จากศีลนะเป็นเหตุให้วิปฏิสานความเดอดร้อนใจไม่มีนะไล่มาจนถึงจิตตั้งมั่นวิชาวิมุตติปรากฏได้หมดเลยนะแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนใครเห็นตรงไหนหยิบตรงไหนมาทํามันก็เป็นเหตุที่จะเดินไปสู่ความหลุดพ้นได้หมดนะขอให้เป็นคำสารสานแล้วกันอย่าเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่ คือเหตุเพราะพ่อพระเรารู้คําสอนพระศ า, าสดาน้อยก็เลยไปคิดว่านี้เท่านั้นอย่างเนี้ยแต่ถ้าได้มาอ่านคําศาสดาทั้งหมดโอ้ไม่ใช่เลยนะเรามันรู้กับจีดเดียวเนะี่ยแล้วก็ไปพูดบัลลือศีนาฏต้องอย่างนี้เท่านั้นผิดเลยนะครูเจ้าจึง บ, บอกเนี่ยรู้อะไรมาเนี่ยอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าไม่แน่วางเป็นกลางๆไว้ก่อนนะอ่า บอกสติปัฏฐานสี่เป็นทางสายเอกแล้วก็จับอันเดียวสติปัฏฐานแน่นอนเลยอาณาปานาสิมาอีกแล้วเป็นทางเอกอีกแล้วนี่ <laughs> ได้หมดนะจะเช่นเดียวกับาการเกิดปฏิจจสมุ ป, ปบาทหรือป uh ่าพาชาครับ huh. ที่ uh huh. สมมติว่าณ uh huh. ตอนนี้เรารู้สึกตัวได้ว่าเราเรามีความสุข uh huh. ถ้าตรงนี้เรารู้ว่าเป็นเวทนาเราก็จะคิดย้อนกลับไปว่าเวทนาเกิดจากอะไร <st> เอ๊ะทำไมเราถึงมีความสุขตอนนี้ใช่ใช่ตอนนี้จะคิดย้อนกลับไปใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้อง น, น, น, นี่หละนี่แหละพี่นาในแบบปฏิจจะต้องย้อนกลับไปว่าก่อนอันนี้เกิดอะไรเกิดก่อนอันนี้เกิดอะไรเกิดถอยถอๆๆอยถอยถอยไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดณตรงนี้ได้เกิดอันนี้แล้วเนี่ยต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นใช่ใชต้องสังเกตให้ทันก่อนนั้นไปทั้งทั้งย้อนกลับดับก็ได้ทั้ง กลับมา เ, าเกิดก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดเริ่มต้นตามไล่มาอาวิชชาทางวิญญาณเท่าที่เรารู้เท่าที่เราเห็นเลยครับผมว่าก่อนนี้เกิดอะไรเกิดเราเห็นทันแค่ไหนเอาแค่นั้นครับผมเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองมันจะเร็วขึ้นเองครับผมอตรงที่จะรู้อารมณ์ปัจจุบันเนี่ยอันนี้ต้องฝึกอะไรครับอาจารย์ฝึกสติหรือว่าสมาธิครับผมอันเดียวกันอยู่กระลมหายใจอยู่กระลมหายใจมันเป็นทั้งสติสมาธิในตัวเสร็จออื เป็นปัญญาในตัวเสร็จทั้งหมดเลยจิตมีลมันเดียวก็เป็นสมาธิพอจิตเคลื่อนปุ๊บเนี่ยเราเห็นมันดับมันเกิดเป็นปัญญาละปัญญาคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและดับไปนี่พระศาสดาบัญญัติไว้ยอย่างนี้ก็เป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาสติการระลึกได้แสดงว่า จิตเนี่ยไม่ไปเพลินกับอารมณ์มีการระลึกได้ถึงกายเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงนะในลมหายใจเนี่ยแสดงว่าคนนั้นมีสติละอยู่กับกายได้ตลอดลมหายใจได้ตลอดนรมาส ก, การนะครับในพระจ้ยบิดกนี่นะฮะพื้นฐานที่ได้เรียบเรียงมาจนเป็น สามหมวดใหญ่เนี่ยนะครับโดยความเป็นจริงแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยมีเมื่อมีการสักยานาเนี่ยมีความเป็นพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นไหมหรือว่าประมาณเท่าไหร่ไม่พระตร ว, วิฎกไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดเคย อ, อธิบายไปแล้วว่าพระตร ว, วิฎกเนี่ยคือตอนที่พูะเจ้าปริเนิพานเนี่ยเขาก็จะจำแต่คำพูะเจ้ากัน ซึ่งคำพูเจ้าจะมีสองกลุ่มก็คือธรรมะกับวินัยเช่นันเองธรรมะวินัยะนะยังอื่นไม่มีเพราะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยที่มีวินยัยปิฎก8ดเล่มสุตตันตปิฎกี่ิ้าอภิธรรม12บเล่มนี่นะให้12บเล่มนี้ก็แต่งขึ้นใหม่อภิธรรมปิฎกเนี่ยคำว่าอภิธรรมเนี่ยที่เป็นพุทธวจนะที่พระองค์หมายถึงจริงๆ คือหมวดธรรม7อย่างเนี่ยคือสติปฐานสสัมมะปะทาน4อิทธิบาท4อินสี่หพละห้าโพชง7อริยมรรคมีอง8นี่คืออภิธรรมซึ่ง7หมวดธรรมเนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าโพธิปัจฉิธรรม37มสเพราะ น, นั้นอภิธรรมจริงๆคือตรงนี้ไม่ใช่12เล่มที่อยู่ในพระไตรปิฎกอันนั้นมันคสาวกหรือคาแต่งใหม่ และในพระตบิฎกที่เป็นวินัยปิฎกแดเล่มสุดตันต์ยีิ้าเล่มก็มีคำแต่งใหม่แทรกอยู่ในนั้นอีกซึ่งถ้ายมไปดูเนี่ยบางทีพู้เจ้าพูดบรรทัดเดียวแต่งไปหนึ่งหนึ่งหน้าพูดอยู่หน้าหนึ่งขยายความไปอีก30บหน้า50บหน้าคำแต่งใหม่น่าจะมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของคำพูะเจ้าทั้งตู้เนี่ยตัดไปได้ครึ่งหนึ่ง นะั้นนี่คือเนื้อหาในพระไตรปิฎกเป็นอย่างนี้นะเราจึงต้องทำหนังสือพุทธวจนะขึ้นมาไงคำสาสดาเพียวเพวทั้งหมดมีแค่นี้เท่านี้นะเอาจากในเนี้ยนะแต่เอาเฉพาะคำพระสาสดาไม่เอาคำแต่งใหม่ซึ่งในเนี้ยเขาก็แยกคำแต่งใหม่คำผู้เชา้าออกจากกันอยู่แล้วว่าเมื่อผู้เจ้าพูดอย่างนี้คำแต่งใหม่ก็จะบอก ที่ผู้เจ้าพูดอย่างนี้คำนี้คำนี้นี่ยคที่เขาดูว่ายากเขาจะมาเอามาอธิบายเพิ่มหรือบทไหนที่เขาเห็นว่ายากเขาจะมานั่งอธิบายเพิ่มหวังดีแต่ทําผิดนะไม่ใช่เพราะผู้เจ้าไม่อนุญาตให้บัญญัติเพิ่มหรือเพิ่มสอนถ้าเขาจะอธิบายต้องอธิบายว่าคำนี้ที่ผู้เจ้าพูดในพระสูตรเนี้ยพระศาสดาคเคยอธิบายไว้ในพระสูตรนี้ยกพระสูตรนั้นมาเป็นก้อนเลยมาโปะไว้ นะเพื่ออธิบายพระสูตรนี้แค่นั้นเองสรุปก็คือไม่ต้องอธิบายเพราะพระสูตรมันก็มีอยู่ครบหมดแล้วนะถ้าไม่เข้าใจก็คืออ่านให้มากเสพครบให้มากอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเจอคำตอบเองนะยมอ่านเล่มหนึ่งอาจจะไปเจอคำตอบในเล่มที่20เพราะคำตอบขยายความมันอาจจะอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าใครไม่รู้อะไรนะไม่รู้ว่าคนเนี้ย ไม่รู้อะไรบ้างไปบรรยายให้นักศึกษาแพทย์ฟังนักศึกษาแพทย์บอกศิลห้าคืออะไรโอไม่รู้เนาะโอเคเราไม่รู้ว่าใครไม่รู้อะไรบ้างแล้วใครจะไปสามารถสร้างหนังสือให้เหมาะกับความรู้แต่ละคนได้ไม่มีหรอกองค์ความรู้ทั้งหมดอยู่ในนี้ทุกคนต้องขวนขวายเข้ามาหาเองใช่ไหมอ่า ไม่มีใครมาหยิบเออเม็ดนี้เพชรนี้ทองนี้อะไรให้เราแหมตรงใจเราพอดีเลยนี่คุณขวายเองแต่ให้รู้ว่าองค์ความรู้ทั้งหมดอยู่ในนี้อยู่แล้วน ะ, ะแค่นั้นเองแหละจากนักสการครับอาจารย์ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยขยายคําว่าเห็นกายในกายนะครับมันหมายถึงอะไรครับรู้ลมหายใจเนี่ยเรียกเห็นกายในกายแค่นี้ง่ายที่สุด พระเจ้าตัดว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนะเวลาอาตมาจะอธิบายคนนี้นะอาตมาจะไม่พูดเองนะอาตมาจะยกเลยว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำถูกไหมอ่ะเปะทุกบทพันธะถูกต้องมาและเป็นบทพันธะโดยพระตถาคตบัญญัติ อาตมามีหน้าที่จํามาแล้วมาบอกให้โยมให้ตรงโยมถามมาถามมาปุ๊บผู้เจ้าตัดอย่างนี้ปุ๊บอาตมาพูดให้โยมได้ฟังนะมันก็เหมือนกับโยมได้ยินต่อหน้าพระศาสดาถูกต้องไหมอ่าแค่นั้นเองอะ่ะพระต้องทําอย่างนี้เนี่ยอ่าจำคำตถาคตมาตอบนะตรงไหนตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวคอยก่อนนะไปสืบคนมาให้ได้นะดังนั้นถ้า บริษัทพุทธบริษัทเนี่ยถกกันแต่ในคําตถาคตนะสมหัวกันในคําตถาคตผู้เจ้าบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิ่ที่สุดโยมนั่งอ่านทั้งตู้เนี่ยโยมก็เก็บไปได้ส่วนหนึ่งโยมนั่งอ่านทั้งตู้ก็เก็บไปได้ส่วนหนึ่งอาตมาก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่งท่านผู้ท่านาก็เก็บมาได้ส่วนหนึ่งแต่ละคนก็เก็บมาได้คนละนิดคนหน่อยเอามารวมกันเนี่ยคือสุดยอดไม่มีใครรู้ในนี้หมดะอะโยมถ้ารู้หมดก็เป็นผู้เจ้าเองไง แต่ละคนกันรู้แต่คนลนิดคนหน่อยอย่างเนี้ยต้องเอามารวมกันเพียงแต่ใครรู้มากรู้น้อยกว่ากันแค่นัน้นนะในความเป็นพระอาจจะรู้ได้มากกว่าเพราะมีเวลามากกว่าโยมไม่ต้องแบ่งเวลาไปทํามาหากินใช่ไหมอ่าก็เลยทําให้รู้ได้เยอะกว่าลึกซึ้งกว่าเพราะได้เดินโยมกบนั่งสมาธิโยมต้องแบ่งเวลาไปทำมาหากินก็เลยรู้ได้น้อยกว่าแค่นั้นเองอะ่ะไม่มีอะไร ซึ่งยมก็สามารถทำได้ถ้าโยมให้เวลากับสิ่งนี้มากโยมก็จะแตกฉานไปเองเก่งไปเองเหมือนกันไม่ได้มีใครเก่งเก่งกว่ากันอะไรเท่าไหร่หรอกพอๆกันนี่แหละโ ย, ม, ม, ยมจะรีบกลับไหมจะถวายก่อนไหมไม่เป็นไรเอ่อ มรสิกานะครับก็มีอยู่ในใจเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่มีการสร้างสิ่งมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นความต้องกระทำไหมครับสำหรับการที่คิดวตาตัวเราจะได้หมดจากทุกหมดจากอะไรอย่างนี้นก็ไม่มีในบัญญัติศาสานาในโยมใช่ไหมแต่เราไปบัญญัติกันเองแล้วเราไปบัญญัติตาเป็นกฎหมายด้วย ใครไปยุ่งกับพบุทธลูปสิโดนจับเข้าคุกเนี่ยใช่ไหมมันไปขนาดนั้นทั้งๆ ท, ที่พระเจ้าไม่เคยบัญญตัติว่ามันคือตัวแทนของศาสนาพุทธกฎหมายใบตาขึ้นมาเองว่ามันคือตัวแทนของพุทธศาสนาใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยเคยมีหลวงพ่อท่านนึงที่เคยเ<อ>ปรก<อ>ากฏเป็นข่าวฮะพี่ลงมือกระทากับพุทธรูปเลยแล้วก็โดน<อ>ตีเตียนอันนั้น เป็นเหตุอันควรกระทมไหมครับหรือมีข้อแนะนำยังไงครับหลวงพ่อก็คือเป็นเหตุอันควรกระทไมไหมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปกระทาขนาดนั้นแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยึดถือเพราะไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ตัวแทนพระพุทธเจ้าอย่างนี้องค์แทนพระเจ้าคืออะไรคืออะไรดีพระธรรมและวิ น, นัยพู้เจ้าตัดกา อ, อนน์น่ะ <c oughs> บอกอานนุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยมีพระาศาสดาล่วงรับไปแล้วาศาสดาของพวกเราไม่มีบอกอานนุนเธออย่าคิดอย่างนั้นทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยเหล่านั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราลงไม่ได้บัญญัตินะพระพุทธรูปก็ดีเครื่องรางก็ดีของขังก็ดี ที่เราได้สร้างแล้วทําแล้วเนี่ยเป็นศาสนาแทนไม่ใช่ไม่มีเล ย, ยดูบทพันธนะให้เข้าใจแล้วก็ทําตามนะแค่นั้นเองมันง่ายที่สุดน ะ, ะไม่มีอะไรหรอกที่พระเจ้าให้ยึดเป็นตัวแทนของพระองค์นอกจากธรรมและวินัยนะอนุสาสนีปฏิหารที่พระองค์อุตส่ากําหนดสมาธิมาเป็นอย่างดีทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คําเดียว และต้องทําคําให้ไม่ขัดแย้งกันตลอด45ปีนับแต่ราตรีที่ตรัสรู้ถึงราตรีที่ปริณิพานคําสอนจะขัดแย้งกันไม่ได้พระเจ้าต้องใช้ความสามารถขนาดไหนพระองค์จึงบอกเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยพระองค์ต้องแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งดุจราชสีตะคุบเหยี่ยงทีเดียวต้องไม่พลาดแสดงธรรมทีเดียวไม่เคยต้องมาแก้ไขต้องมาอะไร เอ๊วันนั้นตถาคตพูดผิดเดี๋ยวขอพูดใหม่นะไม่มีเลยทีเดียวสอนรับกันหมดนะองค์ไม่ได้ใช้ความสามารถความระมัดระวังในการประดิษฐ์ประดอยปั้นลูก ป, ปั้นนะก่อนตถาคตเสียชีวิตปั้นลูก ป, ปั้นสักนิดหนึ่งเนี่ยประดิษฐ์ประดอยเป็นอย่างดีอย่างนี้ใช้ความสามารถไม่ใช่คนละเรื่องเลยไม่เคยบัญญัตินะเราไปสร้างกันเอาเองนะอ่า สร้างไปสร้างมาทีแรกก็เพื่อการระลึกถึงที่เปรียบเหมือนถูปาราหบุคคลต่อไปไม่ใช่แค่ระลึกถึงแล้วคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคิดว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนไปแล้วนะอ่ากลายเป็นอย่างนั้นไปบัญญัติกันใหม่เห็นไหมความที่คนเนี่ยมันเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิได้ง่ายมากเลยเครั้งแรกสมมติว่า <c oughs> ปูโยมเสียชีวิตโยมก็อ่ะเกิดเขาเป็นพระทำให้เหมือนกับผู้เจ้าบัญญัติหน่อยถูปานรหับุคคลทำเจดีให้ทำสถูปให้ทำสถูปให้ในที่ที่เผาเขานั่นแหละนะคือสถูปที่เผานะ่นีลีละของเขาเสร็จแล้วโยมก็อ่ะไปกราบไหว้บูชานะไปกราบเพื่อระลึกถึง แรกๆ ก, ก็แค่นั้นแต่ไอ้ลูกเราต่อไปหลานเราเหลนเราหลนเราไม่ใช่แค่ระลึกถึงแล้วขอให้ปู่ช่วยด้วยเถิดนะขอให้ร่ำรวยขอให้ได้ยศได้ตําแหน่งขอให้หายโรคภยัยไข้เจ็บขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครไปทุบก็ไม่ได้ใครไปแตะอะไรก็ไม่ได้ เกิดการห่วงกั้นน ะ, ะเกิดการปกปักรักษาขึ้นมาอย่างนีน้เลยไปหน่อยก็เอาเอาน้ำไปให้เผื่อปู่ได้กินเอาอาหารไปให้เอาทูบเทียนไปนะเอาผ้าสามสีไปเอามาลัยเอาลายคนมาอู่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มันกายกลายไปเรื่อยเห็นนะอ่าไอ้เครื่องรางของขลั ก, ก็เหมือนกันนะเยอะแรกๆโยมก็อาจจะทำเออ ปู่ไปสถูปของปู่อยู่ต้องปัตตนี hey, ทำยังไงดีเนาะจำลองสถูปมาอยู่กรุงเทพและกันนะหาที่ที่กรุงเทพสักที่นทําสถูปเหมือนปู่นะเหมือนเดี๋ยวนี้เราก็ทำสถูปจําลองจากอินเดียมาใช่ไหมามาอยู่ในประเทศไทยบ้างอะไรบ้างแล้วก็เคารพบูชาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเดินทางไกล ไปไปมาๆไอ้ตัวนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเราทําเครื่องจําลองเครื่องอะไรมาจากที่มันใหญ่ๆเอ๊ะถ้าเอาของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวเราไปหน่อยมันก็คงจะดีนะแล้วก็เริ่มทําย่อยมันเล็กลงแหละใช่ไหมแล้วก็เอามาอยู่กับตัวเราไปอย่างเนี้ยทีนี้ก็ไม่พอทำแค่นั้นก็เอ๊ะดูเหมือนจะไม่ศักดิ์สิทธิ์มันต้องมีพิธีเบิกเนตรพิธีปลุกเสกอืม ต้องเอาผู้ที่มีศีลมีคาถาอาคมอะไรเข้าไปนั่งนะนั่งปกนั่งอะไรน่ะอาลาพิธีกรรมเริ่มปรุงแต่งกันเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นนะซึ่งมันก็จะวนเข้ามาสู่คําสอนของพระตถาคตว่าพิธีปลูกเสกเลขยันทําน้ํามนต์ดูหมอดูเลิกดูยามพวกนี้มันคือเดรัจฉานวิชาน่ะพระที่ทำเรียกว่ากําลังประกอบซึ่งมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตผิด ใช่ตั้งแต่บทสวดเลยนะบทปลุกเสกนะนะชุมนุมเทวดาอะไรต่ออะไรนี่ก็บทแต่งขึ้นนะยาวมาเลยใช่อ่เริ่มแต่งละเริ่มแต่งให้ไพเราะสลัดสรวยให้รู้สึกว่ากินใจนะคนซาบซึ้งใจบทบัญญัติใหม่เริ่มไปละเริ่มเข้ามาเข้ามาแทรกแทรกคำพระเจ้าก็จะหายไปหายไป <c oughs> ก็จะมีสาวกเริ่มแต่งคาถงคาถานนั้ น, นนนี้ขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น ทั้งที่ผู้เจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติเห็นนะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเนี่ยห้ามไม่ให้บัญ ญ, ญัติอะไรนอนี่ความผิดเพีย้ยนรถไฟเตี้ยน้อยอย่างนี้เนหะ็นไหมเยอะ อพอคนรุ่นหลังมาเจอเขาไม่ได้รู้ประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างนี้เนี่นเขามาเจอของใหม่ไปแล้วก็หลงกันไปซึ่งก็จะไปเข้ากับมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมแบบที่หนึ่งกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งที่โสดาบันจะต้องละได้ดังนั้นเขาจะได้ภูมิธรรมอริบุคลได้ไหมไม่ได้เพราะเขาจังไปหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกอยู่เลยอย่างเนี้ย ยังคิดว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีพรมมีวัตถุเข้าของศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลอะไรให้ใครเป็นอะไรได้ซึ่งผู้เจ้าบอกไม่ได้ตกลงเรากำลังขัดแย้งกับศาสดาของเราโดยไม่รู้ตัวนะนี่เป็นอย่างนี้อืมนเ็นีนะฮะ ผมก็เกิดความเคารพสัตยาะท่านอาจารย์ัสัานะพระมท่านอจารย์ใช้ใหมีครับบาท่จะได้ฟังวยอันนี้ผมผมคิดว่าน่าจะมีหลายกฎทีทีเพราะว่าพระอาจารย์นำคำอนุสาสนีของพระบรมศาสดามาถ่ายทอดเนี่ยอันนี้พระอาจารย์พูด อาจารย์ก็เกิดถังขึ้นมานะผมก็นับถือพระอาจารย์พร ะ, ะตนนี้อรียนเรียนตรงตรงนะครับตรงนี้มันจะเกิด่านับถือผิดหรือเปล่าครับอันก็เคารพพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ผมแล้วล่ะฮมันจะนับถือผิดไม่ได้เพราะว่าโยมยังต้องมั่นคงในคําสอนของตถาคตอัตมาก็จะต้องบอกอยู่ตลอดว่าเนี่ยเป็นคําสอนของตถาคต ไม่ใช่คําสอนของอาจารย์คลิกคลิปครับถถ่ <นะ S 1> ทั้งชื่รู้ทรบนะ<ช>ครับผมนะครับร<ช>แต่นี่<ช>คำที่พระอาจารย์มาถ่ายทอดพระอาจารย์พูดคํดาตรัสกับพระเจ้าเนี่ย<ช>ก็เกิดเป็นพระอาจารย์ก็กลายเป็นที่เคารพของพวกเราขึ้นมาดังนั้นการเคารพพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าจึงบอกอย่างเป็นคนบัญญัติเอาไว้ด้วยพระสงฆ์เนี่ยคนเคารพแค่ไหนดังนั้นเนี่ยพระสงฆ์ เราไม่ได้ไปเคารพเท่าพระพุทธเจ้านะเราเคารพพระสงฆ์แค่ท่านปฏิบัติดีตรงควรชอบตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก็เหมือนกับสมมุติว่าโยมที่ใส่เสื้อฟ้าปฏิบัติเก่งเป็นอริบุคคลก็นี่ไงเก่งเนี่ยเราเคารพความสามารถของเขาเอ้ยนายเก่งมากเยี่ยมถึงที่หมายแต่ไม่ใช่ว่านายจะมาบัญญัติอะไรได้นะ นายเป็นแค่คนเดินตามแผนที่นี้เท่านั้นอย่ามาแต่งแผนที่เองแผนที่นี้ศาสดาเป็นคนบัญญัติเท่านั้นและอย่ามาแก้ไขแผนที่ด้วยเดี๋ยวคนอื่นบันเดินผิดใช่ไหมแผนที่ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างครับอย่างเนี้ยคารุบได้ใช่ตัวพระอาจารย์ในอีกถานะหนึ่งใช่ไหมครับใช่พระพุทธเจ้าในฐานะหนึ่งก็ไม่ไม่ผิดนะครับอาจารย์ใช่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้แล้วว่าพระสงฆ์คารุได้แค่ไหนพระธรรมเคารพบยังไงพระพุทธเจ้าเคารุบยังไงอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราเคารพประสงค์เกินเนี่ยเกินฐานะไปนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าลูกศิษย์ก็จะบอกคําสอนของครูบาอาจารย์เขาเนี่ยผิดไม่ได้นะถอเทปมานี่ต้องเป๊ะทุกคําเลยนะอืมมันไม่ใช่ขนาดนั้นคําที่ได้ขนาดนั้นคือคําพระพุทธเจ้าอาตมาเองเนี่ยแม้จะทรงจําคําพุทธเจ้ามาพูดอาจจะผิดก็ได้โยนะดังนั้นอาตมาอาจจะพูดเกินพูดหลุดเพราะสาบกพลาดได้หมดอนะ่ะ ดังนั้นเวลาไปตําหนิครูบาจารย์มองเป็นธรรมดาสาวกถูกตําหนิได้หมดอาาม่าโยมไม่มีสาวก ค, คนไหนเนี้ย ب, คนที่เนี้ยบสุดมีผู้เจ้ารูปเดียวนะพระหลานในครั้งพุทธกาลพูดผิดคิดผิดทําผิดมีหมดเลยถูกผู้เจ้าเรียกมาตําหนิขนาดพระหลานนะอ่านะธรรมดาต้องมองเป็นธรรมดานะโอกาสครับคือธรรมมีพระ ผู้กล้าหาญอย่างท่านอาจารย์เครฤทธิ์ก็ไม่มีโอกาส ท, ที่จะได้รู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดยังไงเพราะว่ามีครูบาอาจารย์เต็มไปหมดที่ฟังมาที่ฟังมาเชื่อมาคือเขาเก่งใจกันนะหนึ่งเก่งใจสองไม่รู้สัจจความจริงแต่ก่อนเราก็อย่างนั้นแต่ก่อนเราไม่เจอพุทธวจนะเราก็เอ๊ะของอาจารย์นี้อืมพอได้พอได้พอได้เราก็พูดหยาะเย้กันไปนะ่ะไม่ว่ากันพาด้วยกัน ปณนะี ป, น, ปนอมกันอาจารย์นี้ว่าไงคนนี้มาพุทธโทได้ได้ไ ด, ไดอพอจะเป็นพุทธานุสติแต่จริงเราไม่รู้พุทธานุสติคืออะไรแต่พอมารู้พุสูตรพระเจ้าพุทธานุสติไปคนละเรื่องเลยไม่ใช่เป็นการนั่งท่องชื่อคำพระเจ้าเนี่ยมีรายละเอียดมากกว่านั้ น, นเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกันนะแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนี้แต่พอเจอคำพระเจ้าแล้ว รู้ว่าผู้เจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าฟังคําสาวกอย่าฟังคําแต่งใหม่เราเองเราก็สงสัยแต่แรกเราก็ว่าเอ๊ะแล้วสาวกไม่ดียังไงนะีกว่าเราจะหาเหตุผลที่ผู้เจ้าเคยพูดเอาไว้เจอว่าอ๋อเพราะว่าสาวกเป็นแค่ผู้เดินตามนะี่ยผู้เจ้าเนี่ยรู้มร ก, ก่อนรู้แจ้งมรฉลาดในมรสาวกเนี่ยไม่รู้เท่าผู้เจ้าในตรงนี้แล้วผู้เจ้าบอกถึงแม้เธอจะเป็นประหลานผู้ปัญญาวิมุตต์ก็ตามเธอก็เป็นแค่คนเดินตามอ๋อเราเริ่มรู้มากขึ้น เริ่มเจอพสูตรผู้เช่าบอกอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนโอ้เจออีกแล้วเริ่มเจอพสูตรว่าในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตจะพูดขึ้นใหม่ผลิตคําขึ้นใหม่เปรียบเหมือนเนื้อไม้ใหม่นะเนื้อไม้อื่นที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนะที่เปรียบด้วยกลองสืกของกษัตริย์ท่าสารหัเราเริ่มเห็นเหตุผลอ๋อผู้เชา่าพูดงี้ ง, งโอ้ปิดรูรั่วช่องโหว่หมดเลยโอ้แต่งใหม่ไม่ได้เลยนัเนี่ยเราเริ่มเข้าใจ เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อทำไมสาวกไม่ดียังไงไม่ใช่สาวกเลวหรืออะไรแต่สาวกมีขีดจำกัดนะในความสามารถไม่ใช่ผู้เจ้าดิสเครดิตสาวกตัวเองแต่เพราะว่ารู้ว่าสาวก ค, คุณทำได้แค่นี้นะและเลอที่สุดคือผู้เจ้าและพระองค์ก็ไม่เคยแต่งตั้งใครเป็นพระผู้เจ้าแทนพระองค์ไม่งั้นก็แต่งตั้งนะอาซาลิบุตมาเป็นาศาสดาแทนและกันมหากัตริเป็นาศาสดาแทน สารีบุตรโมฆราณนะเส้นชีวิตไปก่อนอางั้นกะส ป, ปาอุบาลีเป็นศาสดาแทนไม่มีไม่ให้เลยไม่อนุญาตนะไม่ได้นะอย่างนี้นนถ้าเบื่ อ, อตั้งมั่นไนอาจารย์ครือฤทธิ์ว่าเอาคําพระศาสดามาบอกจนกระทั่งเห็นจริงและเกิดความตั้งมั่นใน<อ>ในชีวิตนี้อาจารย์ครือฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และขอทํารูปอาจารย์ครือฤทธิ์ก็ไม่ควร<ป>ก็ไม่ควรเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหม เดี๋ยวคนต่อไปก็จะเป็นเห็นอาจารย์คลกฤทธิ์เป็นลูกปั้นศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างนี้นะอาจารย์คลกฤทธิ์เนี่ยลืมชื่อไปได้เลยนะศึกษาประวัติก็ต้องศึกษาพุทธประวัติของพระตถาคตศึกษาคําก็ต้องศึกษาคําตถาคตถ้าคําอาตมาเกิดมานั่งเถียงกัน อ, อาจารย์คลกฤทธิ์วันนั้นบอกอย่างนี้ไม่ใช่อาจารย์คลกฤทธิ์พูดอย่างนี้ไม่ยากกลับไปเช็คพุทธวจนะพราะอาจารย์คลิกฤทธิ์ก็พูดผิดได้นะเติมได้บ้างแต่งบ้างยกอุปมา ทั้งพลาดเผลอไปบ้างอะไรอย่างเนี้ยอ่า อ, อย่างนี้ก็ถ้ามีความกล้าศึกษาผูา้เจ้าคะมาแล้วแล้วก็ยังมีท่านอาจารย์คริสต์เป็นที่ถ่ายทอดบอกสอนออถ้าเมื่อไหร่เราเกิดไปเจอที่อาจารย์คริสต์ชักพูดผิดแล้วนี่ก็สามารถที่จะมาใช่มาแก้ไข<ท>ได้ใช่ใ ช, ใชต้องเอาคําตถาคตเป็นหลักเป็นที่ตั้งเลยใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์คฤิสต์เป็นมาตรฐานนะอ่า ัสกรนะครับวันนี้เป็นพระคุณมากเลยครับขอบขอบคุณที่ท่านผมเราได้เห็นภาพอีกอย่างนะฮะเพราะทุกครั้งนี่อยู่ในศาสนาพุทธเนี่ยภาพที่เราเห็นก็คือโบสถ์วิหารการปฏิบัติกิจสงเช้าเย็นเถอะนะฮะแล้วก็อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไม่ควรจะทาแต่วันนี้เห็นภาพใกล้กับอ่าสมัยพาาาัศกรคือองค์สมจ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน มาจากตรงที่ใดท่านใดอริยสัจสีจากที่ใดอันนี้เป็นทึงได้มองกลับไปที่หนวัดหลังนี้ฮะเป็นภาพที่ไกล้กับของจริงมากซึ่งต้องขอขอบพระคุณเดินใจจริงนะเห็นนะก็เป็นบารมีร่วมกันนี่แหละถ้าไม่ได้มาเจอคำพูดเจ้าก็คงไม่ได้อย่างนี้เหตุปัจจัยก็เหมือนกันก็หลักด้านอธตมามาอยู่กลางทุ่งอยู่คนเดียว ไม่เจอใครเลยนะแล้วได้มีคนมาแนะนำห้าเล่มจากพระโอษนะสี่ปีก็วางกองไว้ตรงนั้นนะผ่านมาสี่ปีหยิบมาอ่านเสิอุยคำครูเจ้าทั้งหมดเลยนี่เกิดสนใจเกิดนั่งอ่านยิ่งโอ้ยิ่งเข้าใจเข้าใจเราก็เสพครบคำครูอาจารย์มายี่สิบกว่าปีเหมือนกันนะปฏิบัติมาเลยตั้งแต่ปีสองนี่นั่งสมาธิผิดบ้างถูกบ้างทาแบบโน้นบ้าง ไปสำนักนี้บ้างตามที่ดังๆทังง้งหลายก็เหมือนกับพวกเราที่เคยทำมาแต่พอมาเจอพุทธวจนะมันก็มันจบลงได้โอ้คำตอบมันมีหมดเลยนีในนี้แล้วเราจะไปวิ่งหาใครที่ไหนศึกษาอยู่ตรงนี้ก็จบแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยโอกาสนี้เข้าใจานี่พอฟังท่านอาจารย์ได้เมตตาให้ทำมาเนี่ยเออ ก็มีมีภาพของคูบาอาจารย์เยอะแยะเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยแต่ก็ไม่มีภาพของพระโมคคลาไม่มีเหรียญพระโมคคลาภาษาริบุตรอะไรกันมาจนป่านี้ตนี้มาถึงปัจจุบันนี้ยังมีท่านอาจารย์เครือริดมาเนี่ยแล้วทุกคนทำเพื่อประโยชน์ถึงเป็นพระก็ยังต้องมีที่หวังก็ยังมีเหรียญพระเหรียญอะไรและพระเองที่สอนคาพระพุทธเจ้ามา นอกจากปั้นลูกผู้เจ้าหลอ่อผู้เจ้าซึ่งตอนที่ประชิมมื่ว่าท่านก็บอกว่าให้ถือพระธรรมแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมาทําพระของอาจารย์แต่อาจารย์เย่แย่ไปหมดเลยนะฮะแล้วพระที่มาถ่ายทอดอย่างท่านแจ็คลิฟเนี่ยจะบอกว่ามีความหวังไหมตั้งหวังยังไงนะครับในพุทธเจนะหวังยังก็จะหวังยังไงได้ก็ทําแค่ปัจจุบันว่าเราก็ <c oughs> ประกาศคําตถาคตไป ใครมีบุญบรารมีเหตุปัจจัยสร้างมากระตัดกับตถาคตก็จะเข้าใจเองก็จะเข้ามาเองเราประกาศคำศาสดามาต่อต้านคุณก็ต่อต้านคำศาสดาคุณเองจะเป็นอะไรใช่ไหมเราไม่มีผลเลยเพราะว่าคำไม่ใช่คำของเราใช่บางคนไม่รู้นึกว่าอาตมาพูดแบบพระทั่วไปที่ว่าปรุงแต่งเองไปแต่ไม่ใช่เราพูดจากการทรงจำคำตถาคตแล้วตอบไปให้แต่ละคนแต่ละคนอย่างนี้ อย่างเนี้ยแต่เราคล่องคํำผู้เจ้าจนเราพูดเป็นปกติในคําพระศาสดาแต่เขาไม่รู้แค่นั้นเองถ้าเขาได้ไปอ่านพระสูตรนะเขาจะเห็นว่าเอออาตมาพูดคำผู้เจ้าทั้งหมดเลยเนี่ห ย, ยิบพระสูตรนั้นพระสูตรนี้พระสูตรนั้นพระสูต ร, น, น, ร, ร, น, น, ร, รนี้มาอย่างเนี้ยอ่านี่นี่คือความที่ไม่เคยมีพระอย่างนี้มาใช่ไหมแต่เราต้องสร้างพระอย่างนี้ให้มากไม่ใช่ว่าอาตมาทําได้คนเดียวทุกคนทําได้และทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเนี้ยคํำผู้เจ้าถึงจะไม่สูญหายไงใช่ไหมอ่า ซึ่งเราเป็นค า, า, ารวะเราก็ทําได้ใครจะแจกหนังสืออาจารย์ไหนมาเราแจกพุทธวจนะไปคําตถาคตเลิศที่สุด อ, อาจารย์คุณไม่ใช่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรอใช่ไหมนี่คําตถาคตอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็พอจะเห็นได้ว่าการจะกลับไปสู่พุทธวจนะไม่จำเป็นจะต้องมีอาจารย์องค์ใดแม้แต่อาจารย์เครือกลิศใช่แต่การที่จะมาพึ่งพุทธวจนะได้อย่างทองแท้ในช่วงพบนี้อายุนี้ยังมีเหลือเนี่ยก็ต้อง ครึ่งมัาดลูกคาโดยแท้ผู้ที่รู้โดยแท้รู้โดยทะลุที่สามารถจะถ่ายทอดบอกสอนได้ซึ่งมีน้อยอย่างเช่นใช่แต่เครื่องริดอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือแค่ว่าอาตมาเนี่ยศึกษามาก่อนศึกษามาก่อนพวกโยมแล้วก็ปฏิบัติมาก่อน 10- 20ปีอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาที่อาจจะชํานาญมากกว่านะแต่ถ้าต่อไปพวกเราเนี่ยศึกษามาผ่านมา10ปี20่สิบปี ส, บปสามสปี ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นเข้าใจขึ้นนะก็เป็นผู้ถ่ายทอดบอกสอนได้ต่อไปถึงโยมจะปฏิบัติยังไม่ได้ <c oughs> อริบุคคลขั้นใดก็ตามหรือได้ขั้นต้นหรืออย่างไรแต่ถ้าถ่ายทอดไม่ผิดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายมเป็นอริบุคคลแต่ถ่ายทอดผิดนั่นแหละคือปัญหาในอนาคตดังนั้นถึงแม้พระอราหันต์ก็ตามถ้าไปทาผิดหรือมีการถ่ายทอดผิดปุ๊บพรเจ้าจะจัดการทันทีนะ อย่างพระหลานพอไปแสดงฤทธิ์ปุ๊บคนเนี่ยเข้ามาเชตวันเต็มเลยผู้เจ้าไม่ดีใจหรอคนมาเยอะแยะเลยแต่ไม่ดีใจสั่งเรียกประชุมสงเรียกพารัทธวาชะมาสอบสวนว่าไปแสดงฤทธิ์จริงหรือเปล่าเธอไม่ได้ทำให้คนเลื่อมใสเนี่ยต่อไปจะเสื่อมนะอ่าตำหนิพารัทธวาชะลุนแรงแล้วก็บัญญัติว่าต่อไปภิกษุรูปใดแสดงฤทธิ์ปรับประบาทุกกฎอย่างเงี้ยอ่า นี่แหละความที่เป็นสัพพัญญูของศาสดาดังนั้นพระราั น, นี่ไม่ใช่สัพพัญญูแต่เมื่อเขาเป็นพระราล์แล้วเขาจะมีความเคารพยัมเกรงในพระพุทธเจ้าจะไม่มีการมาเถียงพรพุทธเจ้ามาอะไรเพราะเขารู้ว่าเขาเริ่มมาจากพระพุทธเจ้าและจจะสรู้รมเดียวกั น, นะจะไม่มีการขัดแยง้งพรุทธเจ้าจึงบอกพัทธลิขไงอริบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงในหล่มโคลนเขาก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัย พระเจ้าสั่งจากเดิมฉันสามมือเหลือมื้อเดียวอ่ะมือเดียวกับมือเดียวประชุมสงฆ์ครั้งที่หนึ่งสั่งงดมื้อกลางวันเหลือสองมือประชุมสงฆ์ครั้งที่สองสั่งงดมื้อเย็นเหลือมือเดียวเห็นนะทําตามหมดนะีไม่เชื่อว่าพระเจ้าก้าวผิดนําพาผิดเขาเชื่อว่าพระเจ้าสรรพันธุถูกต้องแน่นอนเนี่ยพลันเขลบพระเจ้าหมดพระธนิยะเนี่ยทํากุฏิดินขึ้นมาพระเจ้าไปเจอก็ <c oughs> บอก ภิกสุจัดการทุบทิง้งซะพระธนิยะมาเจอเอาทุบกุฏิผมทําไมบอกผู้เจ้าสั่งให้ทุบงั้นเชิญทุบเลยต่างสบายไม่กล้ากัดน ะ, ะเชื่อมั่นว่าผู้เจ้าต้องรู้จริงเฉะนั้นในปัจจุบันนี้นอกจากเชื่อมั่นในผู้เจ้าจะเชื่อมั่นได้ก็ต้องศึกษาในพระธรรมวินยัย แ, และนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อไม่ศึกษาและพิจารณาไปเนี่ยอาจจะไปหลงใน มักคานุคาที่ไม่ใช่มักคานุคาจริงไปติดอยู่ในที่ทีหิบสองเพราะฉะนั้น เ, เราก็อาจจะพินาควบคู่กันไปกับผู้ที่มาไถ่ทอดบอกสอนไปได้โดยตลอดเพราะฉะนั้นการาสรรหาพระอรหันต์หรือพระที่เป็นมักคานุคาโดยแท้เนี่ยก็ต้องควบคู่กันไปนะครับใช่เอาเครื่องมือเอาคือเอาคําสอนพระศาสดามาเป็นตัววัดคือใครจะอ้างว่าเป็นอริยบุคคลยังไงก็ตามเนี่ยผู้เจ้าตัดไปแล้วว่าอริยบุคคลมีอาการอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไร ตรวจอย่างไรนะนั้นเขาจะมาสร้างมาตรฐานการตรวจสอบเองไม่ได้เราจะตรวจสอบจากพุทธวจนะอย่างเนี้ยอความเห็นต้องถูกต้องตามพระพุทธเจ้าถึงแม้ไม่มีสัพพัญญูในปัจจุบันมีพระธรรมที่พระองค์ทรงให้ไว้แต่เจอพุทธวจนะแล้วครับออืพุทธวจนะเป็นเครื่องตรวจสอบครูบาอาจารย์ที่เราจะเดินตามครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดบอกสอนอีกที Uh huh. ขอ่าฮนักกษารครับอืมขอเข้าใจนะเล่งแค่นี้ก็ยังยากนะเนี่ยนะชาวพุทธจะเข้าใจยากเพราะว่าจะยึดถือครูอาจารย์ตัวเองนะแบบแตกไม่ได้เลยอาจารย์ตัวเองเนี่ยนะอ่านัศกศึกษานะฮะก็มีเล็กเล็กน้อยที่วันนี้ครั้งแรกที่มานะครับอย่างอย่างแรกเลยที่ตอนพระพระสงฆ์ท่านยืนใหม่ให้เนี่ย อ uh huh. ทางพิธีมิงก็ไม่กล้ารับ oh huh. โดยตรงจากมือ oh huh. ซึ่งพอทราบจากพี่ท่านบะเป็นลักษณะว่าเราเข้าใจไปเองว่ารับ uh huh. โดยตรงจากพระสงฆ์ไม่ได้ฉะ uh huh. นั้นนี้ อ, อยากขอแสงสว่างจากท่านนะ uh huh. จริงๆสีกข่าบทพรุ่งนี้มีในปฏิโมกด้วยภิกษุส่งผ้าให้กับภิกษุณีซึ่งเป็นมาตุคามอย่างเนี้ย ถูกปรับประบาอะไรถูกปรับประบาเพราะว่าภิกษุณีนั้นเนี่ยไม่ใช่ญาตนะิและของนั้นไม่ใช่ของแลกเปลี่ยนแต่ไม่มีการปรับประบาดว่าของนี้รับเพร้อมมือต่อมือนะไม่มีบัญญัติต ร, ตรงนี้พระอนนลส่งของให้กับปริภาชิ ก, กานักบวชหญิงนะก็เหมือนกับสตรีหรือมาตุคามนะทั่วไปก็บอกว่าถูกปรับประบาเพราะว่าอ่ เอาอาหารไปให้แต่ไม่ได้ถูกปรับอาบัติเพราะว่ายื่นของด้วยมือต่อมือไม่มีตรงนี้นะดังนั้นการการม า, าบัญญัติเรื่องตรงนี้มามาบัญญัติกันเองว่าจะต้องทำอย่างนี้เท่านั้นซึ่งถ้าจริงๆแล้วในนี้มีในมีใบัญญัติพระศาสดาแต่เป็นพระสูตรที่กำกึง่งในบัญญัติตัวนี้มันอยู่ในคำภีบริวารเล่ม8 คำพีบริวารเนี่ยมันเป็นคำภี์ที่แต่งขึ้นแต่ภายใต้คมพี์ที่แต่งขึ้นเนี่ยมันแต่งขึ้นในวลีคําพูดผู้เจ้ามันจริงพอรับฟังได้ระดับหนึ่งเราก็ต้องสมมุติเป็น2อฐานะฐานะหนึ่งคือไม่ต้องสนใจถ้าไม่ต้องสนใจปุ๊บก็คือมาดูในปฏิโมกซึ่งเป็นคํำผู้เจ้าแน่นอนไม่มีผิดอยู่แล้วแต่ถ้าต้องการว่าเอ๊ะรับส่งกันยังไง <c oughs> ในตัวคำพี์บริวารตัวนี้จะมีตัดไว้กับอุบาลีว่า ถ้าเขาให้ด้วยกายเนี่ยเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาจะเป็นใครก็ได้ไม่ได้ระบุว่าหญิงชายนะจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นสัตว์ก็ได้เขาให้ด้วยกายเรารับด้วยกายเขาให้ด้วยกายเรารับด้วยของนึงด้วยกายเรารับไม่ถึงเราก็เอาไม้เอากระดาษเอาอะไรไมายื่นรับอีกทีหนึ่งเหมือนโยมกับอาตมาอยู่คนเราฝั่งคลองโยมอยากให้อาหารอาตมารับไม่ถึงหามาย้ยาวๆไปรับอโยมวางมาในไม้เนี่อมาดึงกลับมา สำเร็จการให้เหมือนกันใช่ไหมอ่าอย่างนี้ถ้าเขาให้ไม่ถึงเขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเราก็รับด้วยกายโดยตรงได้เขาให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเขาให้ไม่ถึงเราก็รับด้วยของนึ่งด้วยกายต่อได้สี่แบบแล้วนะแบบที่ห้าสุดท้ายโยนให้อย่างนี้อืมอันนี้ที่ตัดไว้กับอุบาลีนะดังนั้นการให้ด้วยมือต่อมือก็ไม่ได้มีความผิดอะไรไม่สามารถปรับอาบัติหรือความผิดได้ ความผิดของพระเกี่ยวกับมาตุคามในเรื่องนี้มีข้อเดียวคือถ้าไปเข้าคืนด้วยกายกับมาตุคามเนี่ยถึงจะเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นการส่งของไปเข้าคืนอะไรกับกายไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมอ่าแล้วพระก็เข้าใจผิดอีกว่าอย่างเช่นพยาบาลจะมาเจาะเลือดจับไม่ได้แต่ไม่ได้อะไรไม่ใช่เขาควบคุมพระคุณนะ่ยจะไปจับเค้าเขามาจับคุณก็เรื่องของเขาไม่ได้ผิดอะไร นะวินัยคุมพระไม่ใช่คุมคาราวาสใช่ไหมดังนั้นพยาบาลจะมาเปิบิบัติอะไรก็าตามสบายสิพระก็เฉยเฉยไปใช่ไหมอย่างอาบัตในเรื่องที่เขาคุมพระไม่ให้ไปจับต้องก็คือผู้เจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดกําหนัดแล้วมีจิตแปลปวนแล้วถึงความเขาคลึงด้วยกายกับมาตุคามจับมือก็ตามจับช่องผมก็ตามรูปความอาววะอันใดอันหนึ่งก็ตามเป็นสังขารที่เสรเป็นอาบัติหนัก ที่ไม่สามารถปรงได้ด้วยวาจาต้องอยู่กรรมนะถ้าปกปิดไว้หรือประพฤติมานะัดถ้าไม่ปกปิด6ราตรีแล้วขั้นตอนที่3คือออกอัป่านคณะสงฆ์รูปมาสวดรับเข้าหมู่ใหม่การอยู่กรรมเนี่ยหมายถึงการลดพันษามหมดเลยประพฤติข้อวัดนะเกกว่า ข, ข้อ <c oughs> ห้ามอยู่ในที่มุงบังชายคาเดียวกันกับภิกษุ ป, ปกติอย่างเนี้ยต้องอุปถาดดูแลเข้าทุกอย่าง เคย3าสิบพรรษาใช่ไหมเหลือศูนย์ต้องกราบไหว้ทุกพระทุกรูปในวัดโอ้โหทำใจยากพอสมควรนะหมดไปเลยความเป็นเป็นผู้แก่หมดไปเลยเหลือศูนย์ต่ำที่สุดต้องล้างเท้าเช็ดเท้าให้พระกับบวชใหม่เนี่ยสามสิบสี่สิบพรรษาทั้งโดนอย่างนั้นนะขาดกิเลสไม่ละอย่างเนี้ยเห็นนะนี่คือปัญญัตตัวนี้ นะแต่ทรงอันเนี้ยเป็นอะไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยถึงโดนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าพอเข้าใจไหมเมื่อเราไปสร้างระมัดระวังกันมากขึ้นนะ่ยอย่างใดก่อนนะ่ยอ่าลูกศิษย์ของหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก็ก็สร้างห้องให้หลวงปู่ล่าเลยห้องกระจกกันไม่ให้ใครเข้าไปแตะเข้าไปโดนเลยท่านเหมือนอยู่ในคอกเลยอย่างเนี้ยอ่า เข้าหาไม่ได้กลัวระวังเดี๋ยวเป็นอาบัตเดี๋ยวอะไรต่ออะไระสร้างกรอบอะไรท่านจนแบบหูท่านแบบลอยเลอเลอสูงเกินอย่างนี้เราเราสร้างกันเกินพอดีไปนะเย <c oughs> ขออนุญาตเจ้าค่ะ การที่เราตักบาตรตอนเช้าเนะะี่ยนะจะด้วยตักบาตรด้วยอาหารหรือว่าบางครั้งเนี่ยใช้เงินในการใส่ลงไปในบาตรของพระแ่่ น, น่ะคะ่ะไ ม, ม, ม่ทราบว่ามันมีข้อเสียอย่างไรบ้างหรือว่าทำอะไรผิดไปบ้างอะไรเงี้ยคะค่ะคนที่ผิดคือพระโยมไม่ผิดหรอกพระมีหน้าที่ปฏิเสธโยมจะให้อะไรก็ให้มาพระจะต้องพิจารณาเช่นโยมเอา เนื้อดิบมาใส่บาทอาตมาต้องบอกว่ารับไม่ได้ผู้เจ้าห้ามรับเนื้อดิบโยมเอาเลือดสดมามาใส่บาทอาตมาต้องปฏิเสธโอ้รับไม่ได้ผู้เจ้าห้ามโยมเอาเงินมาใส่อาตมาต้องปฏิเสธโอ้ผู้เจ้าห้ามรับเงินทองผู้เจ้าบัญญัติว่าอัอนหนึง่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักยญ ป, ปาจิตตีตัวภิกษุต้องอาบัตปารจิตตีเงินทองเป็นนิสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสง์ ยมเอาเหล้ามาใส่บาทอตาตมาโอเหล้าพูุทธเจ้าไม่อนุญาตนะตระปฏิเสธได้ยอมในสิ่งที่ศาสดาบัญญัตินะแต่ห้ามยมได้ไหมห้ามยมไม่ได้เพราะยมไม่ได้มาศึกษาข้อวัดวินัยของพระนี่จะไปรู้ได้ยังไงพระรักษาอะไรบ้างใช่ไหมอา่าเราก็ได้แต่เราก็ต้องบอกสอนเขาไงอา่าอย่าง น, าางนี้เวลาที่เรา พบกับญาติพี่น้องเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอแต่ญาติพี่น้องเราเหมือนกับว่าเราทราบแล้วว่าการที่เรานําเงินไปถวายกับพระท่านยกตัวอย่างเช่นในบาทเป็นต้นเลยนะคะใส่บาตรด้วยเงินเนี่ยพูด ง, ง่ายๆเราก็จะบอกกับญาติพี่น้องเราเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเราก็จะบอกว่าทําแบบนั้นนะ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใ ช, ใช่ไหมคะทีนี้อย่างในใจโยมเองอย่างเงี้ยค่ะก็ยังนึกถึงอยู่ว่าแล้วในกรณีที่เกิดส่งท่านอาพาธถ้าถ้าส่งท่านอาพาธเล็ๆน้อยๆเช่น อาจจะต้องไปซื้ อ, อยาที่ร้านขายยาเช่นยาแก้เจ็บคอหรือว่ายกตัวอย่างเช่นยาเล็กๆนร้เช่นพาราเซตามอลหรือว่าทิงเจอหรือว่าพลาสเตอร์อยาแบบนี้ค่ะแล้วส่งท่านจะดำรงหมายถึงว่าจะจะจะทำด้วยด้วยวิธีใดซึ่งจะได้มาซึ่งสิ่งของเหล่านั้นนะคะถ้าถ้าไม่มีปัจจัยในการในการซื้อหาอย่างนี้ค่ะพิษุ ด, ดูแลกันเอง ภิกษุอยู่ได้อีกระบบด้วยระบบปรวาณาต้องมีคนมาปรวาณาคืออนุญาตให้ขอได้ถึงจะขอของเข้าได้หรือญาติของท่านน่ะญาติพี่น้องเนี่ยน่ะโดยสายโลหิตไม่ต้องปรวาณาถือว่าปรวาณาโดยอัตโนมัติขอญาติได้ <c oughs> หรือขอของกับคนที่ปรวาณาได้ เขาปรนน่าแค่ไหนขอได้แค่นั้นถ้าเขาปรนานาแค่ยาขอได้แค่ยาขอจีวรขออาหารไม่ได้ขอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเขาปรนานาแค่จีวรขอได้จีวรขอยาไม่ได้และถ้าเขาปรนนาไม่ได้ระบุวันเวลา4เดือนหมดอายุถือว่าปรนนานั้นขาดโดยอัตโนมัติผร้เจ้าต้องป้องกันกับพิสูจน์ที่โลบด้วยไม่งั้นญาติโยมก็ถูกขอตลอดสิ เว้นแต่ญาติโยมเขาจะรู้แล้วเขาจะคิดว่า <c oughs> คนคนนี้พระองเนี้ยโลกอดหลงน้อยจริงนะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีจริงเขามีศรัทธาเขาถึงปรนนาเป็นนิสปรนนาตลอดปรณนาตลอดชีวิตภิกษุลูกนั้นถึงจะขอได้ตลอดไปและถึงเขาจะปรณนาตลอดแต่ไม่เคยโผล่หน้ามาให้เลยนะให้เห็นหัวเลยภิกษุกาไม่กล้าขออยู่ดี ก็ต้องมีความละอายเหมือนมันไม่คุ้นเคยถึงเขาจะปรนนาขนาดไหนก็ตามแต่ฮะอ ะ, อะไรนะถ้าเขาปราานนะ่าน่ะทําได้นะก็คือผู้เจ้าแค่อนุ ญ, ญาตให้บอกได้ปกติถ้าเขาไม่ได้ปรนน่าเอ่ยปากบอกก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอ่ยปากก็เงียบเงียบไว้เฉยเยนะแต่เขาปรนน่าปุ๊บเนี่ยให้ เอ่ยปากบอกความต้องการของเราได้ส่วนจะได้หรือไม่นั้นอยู่ที่กําลังของเขาไม่ใช่ว่าเอาภาวนาไปบังคับเขาอีกวะโยมภาวนาแล้วนะต้องทําไม่ได้นะอ่านะ่พะพระขี้โลภเกินไปอีกใช่ไหมเนี่ยแงย่มุมพวกนี้โ ย, ยมต้องเข้าใจหมดมันเป็นความละเอียดนะอ่าโยมก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งอีกด้วยค่ ะ, ะคื อ, อยังวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆนยค ะ, ะปกติในที่ร้านค้าเนี่ยจะมีการ ตักบาตทุกวั น, เ ป, นเป็นประจำทุกวันเลยค่ะจะมีพระสงฆ์เนี่ยซึ่งท่านเมตตาผ่านมาเราได้ตักบาตเนี่ยนะคะประมาณยี่บห้าถึงสาสิบรูปด้วยกันทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าคนแรกๆที่ได้ตักบาดพระสงฆ์ท่านที่เดินมาในเวลาตอนเช้าท่านเดินวิถบาทใช่ั้ยคะก็จะเคยได้สังเกตอยู่แทบจะทุกวันเลยหรือว่าหล า, หลายองค์ท่านเลยค่ะ ในบาทของท่านเนี่ยท่านจะมีเงินอยู่ที่บาทเลยเหมือนว่าหนูเชื่อว่าหนูคิดเองนะคะแต่ว่ายอมเชื่อว่ายมคิดเองแต่ว่าเราก็เชื่อว่าไม่น่าจะผิดคือเชื่อว่าเป็นความตั้งใจของพระสะงฆ์ท่านที่นาเงินะ่ะไว้ในบาทอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแบบนั้นนะคะแล้วก็ยมก็คือสับสนว่าจริงๆแล้วท่านทำถูกไหม คือนึกอยู่ว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วโยอมะคะยมจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าก็ยังคงใส่บาตรอยู่อยู่ทุกวันยังใส่บาตรอยู่ทุกองคทุกรูปอย่างเนี้ยค่ะก็ยมเชื่อผู้เจ้าหรือเชื่อพระที่ทําผิดแหละค่ะก็หมายถึงว่ายมต้องปฏิบัติไงคะคือเลิกใส่บาตรไปยมก็อย่าไปสนับสนุนค่ะผู้เจ้าตัดการที่จะแก้ไขทิฏฐิของพระแบบนี้ต้องไม่สนับสนุน ถ้าภิกษุณีบอกภิกษุณีอย่ากราบไหว้เห็นนไะหมส่วนของครวาสบอกอย่าสนับสนุนน ะ, ะก็วางหลักไว้อย่างเนี้ยถ้าโยมสนับสนุนพระไม่ดีจะไปแก้ไขความผิดตัวเองทําไมก็ในเมื่อทําผิดก็ยังอยู่ปกติดีเหมือนเดิมพระศาสดาจะรู้วิธีแก้ไขทิฏฐิพฤติกรรมของพระดีที่สุดปัญญาตวิธีแก้ไขทิฏฐิและพฤติกรรมของภิกษุที่กระทําผิดตามธรรมที่ว่าด้วย ปฏิโมกขันยิ่งหรืออาชีวะอันยิง่งและความผิดที่ภิกษุกระทําผิดตามธรรมที่ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาความผิดของพระมีสองระบบนะดังนั้นเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วหน้าที่คือของเราคือยืนเคียงข้างพระตถาคตใครทําผิดอย่าไปยุ่งด้วยเอกลณปัจจัยจะหมดจากเข้าไปเองเขาก็ต้องมาปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้ว ศาสนาจะได้ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่ใช่ศาสนามีเพราะว่าพระที่ผิดเดินเต็มประเทศนะต้องมีพระที่ถูกต้องความเป็นภิกษุสงฆ์เราเข้าใจผิดคิดว่าเพียงแต่ทรงบาดจีวรสังขติไม่ใช่ตถาคตบัญญัติว่าความเป็นพระเนี่ยเป็นเพราะสีรศิขาจิตตศิขาปัญญาศิกขาที่เหมือนกับภิกษุทั้งหลายที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้นะที่บัญญัติในเรื่องของกูเป็นโคลาที่เดินตามฝูงโคไปเนี่ย กีบเท้าก็ไม่เหมือนเสียงก็ไม่เหมือนสีก็ไม่เหมือนมันก็ร้องอยู่เองว่ากูเป็นโคกูเป็นโคพิกษุบางรูปนั้นเดินตามหมู่พิสูจไปข้างหลังก็ร้องเอาเองว่าข้าวก็เป็นพิสษุข้าก็เป็นพิสูจน์ทั้งที่ศีลสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิสษุทั้งหลายจิตตสิกขาก็ไม่เหมือนปัญญาสิกขาก็ไม่เหมือนกับภิสูจน์หลา ย, าาญญาาลายวัดกันที่ข้อปฏิบัติความเป็นพิกษุนเนี่ยโจรมาเอาเครื่องแบบตำรวจใส่โยมคิดว่ามันเป็นตำรวจไหมล่ะแล้วยมจะสนับสนุน ตำรวจคนนั้นที่ใส่เครื่องแบบซึ่งมันเป็นโจรอยู่ไหมล่ะอ่าคำว่าไม่สนับสนุนก็หมายความว่าสิ่งที่เราเคยใส่บาตรท่านเราก็หยุดกระทาซะอืถ้าหมายถึงว่าในในส่วนของโยมใช่ไหมคะก็เราก็เลิกกระทําสิ่งที่เราเคยกระทํานั้นซะนั้นเสียใช่ไหมคะเราก็ไม่ใส่บาตรเลือกเนื้อนาวพระตถาคตบอกว่าข้าวดีมีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานลงในนาดีนาปันกลางนาเลว ก็ต้องหวานลงในนาดีไม่ใช่ว่นลงในนาเร็วนะผู้เจ้าจะแสดงธรรมจะแสดงธรรมกับปริพายโชคไหมเดินไปหาปริพาชกนั่งแสดงธรรมให้ปริพาชกฟังเปืองแรงเปล่าต้องแสดงธรรมให้กับเนื้อนาที่ดีคือภิกษุของพระองค์สาวกของพระองค์สงสาวก ค, คนบางคนเลยบอกเอ๊ะทำไมผู้เจ้าแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุหลงลายอย่างเนี่ยอ่ะแล้วใครจะทรงจําคําตถาคตไว้อีกเป็นร้อยเป็นพันปีถ้าไม่ใช่ภิกษุ ผู้มีศรัทธาในตถาคตอันอย่างลงมั่นมากกว่าใครคนอื่นไปแสดงทําให้แก่คารวะมากคารวะมีกิจการงานมากผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตยลืมแล้วแสดงทําอะไรก็ไม่รู้อา้าแล้วพระสาตว์ ร, รมจะตั้งมั่นอยู่ได้ไหมเนี่ยใช่ไหมแต่พิสูจนีใทรงจําทรงจําทรงจําเก็บไว้นะอา่าเนี่ยต้องพิจารณาก่อนนะใช่ไห ม, มทุกวันนี้โยมก็พิจารณา แยกแยะโดยอัตโนโมัติอยู่แล้วมีใครอะ่ะไปทำบุญกับคนที่อยู่ในคุกไงใช่ไหมนี่นักโทษประหารนะนี่นักโทษข่มขืนนะเอาเงินไปใช้นะดูแลเข้าให้เป็นอย่างดีไม่มีใครหรอกนะโยมให้ทุนนักเรียนน่ยให้ทุนนักเรียนเรียนไม่ดีมะคนนี้ขี้เกียจเรียนตกอ่ะเอ า, เอาทุนการศึกษาไปไม่มีหรอกต้องสนับสนุนคนดีใช่อ่า จะได้เป็นตัวอย่างเขาจะได้ขยันขึ้นมายมสนับสนุนพระดีพระไม่ดีต้องรู้ละเอกลาปัจจัยเสื่อมเกิดแก่เขาเพราะเขาปฏิบัติไม่ดีเขาก็ต้องปรับตัวเขาให้มันดีถ้าเขายังอยากได้เอกลาปัจจัยใช่ไหม อ, อย่างนี้มีวิธีแก้เดินตามความเห็นพระเจ้าเลยมาตรฐานที่สุดวางความเห็นทุกคนไว้เลยพระเจ้าบอกอยังไงทาอย่างนั้นรับรองดีเองไม่ได้ไปลังเกียจเขาไปอะไรเขา แต่หวังในความตั้งมั่นของพระสัทธรรมหวังในความที่ความถูกต้องคือพุทธวจนะมันจะดำรงอยู่ได้ในโลกใช่ไหมคนจะได้หลุดพ้นได้จริงมีเครื่องบัตอริบุคคลจริงแก้กรรมได้จริงไม่ใช่เป็นนอนในโรงคนยืนเข้าคิวเป็นร้อยนอนในโรงมันทําไปได้ประโยชน์อะไรเห็นไหมไปบังสกุลเป็นบังสกุลตายคนเป็นร้อยนะเอาผ้าขาวคุมเป็นร้อยๆ้อยเลยมาสวดเสร็จอนะกรรมหมดละไปออกไป ก็มีคนเชื่อเยอะเพราะอะไรเพราะพระทำคนที่แต่งเครื่องแบบพระเนี่ยทำเขาก็มีความศรัทธานึกว่าผู้เจ้าสอนมาอย่างนี้เซมะ ม, มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไม่ช่วยแค่มันก็หมดนะี้ขออนุญาตค่ะคือรูอพ้พ่ความสงสัยคือได้ยินพระอาจารย์รูปหนึ่งนะคะาาท่านได้ส่งพูดด้วยว่า พระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์นั้นถ้าทำผิดเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดถึงหรือติเตียนได้เราจะเป็นบาปนั้นจริงไหมคะสงน์น่ะสงฆ์ตามผู้เจ้าบอกหรือเปล่าล่ะดังนั้นถ้าสงฆ์ตามผู้เจ้าบอกเนี่ยน่ะมันแบบหนึ่งนะและถ้าเป็นสงฆ์ตามที่ผู้เจ้าบอกสัมปนะศีลาครบสัมปนะปฏิโม ข, ขาครบปฏติโม ข, ขาสังวรสังวุตตาอาจารโคจรสัมปนาครบเราไม่รู้จะติเตียนอะไร พระเนี่ยถ้าศีลบริบูรณ์เนี่ยย่อมไม่สามารถติอะไรท่านได้เลยมันจะเนียบหมดเลยอย่างนี้ถ้าพูดถึงก็เราก็ไม่ได้บาปาใช่ไหมจ๊ว่าสมมติว่าเราไปเจอพระที่ไม่ใช่พระนางวิสาขาไปติพระยังไม่บาปไปบาปไปไลก็พระทาไม่ถูกพระไม่เชื่อวิสาขาไปฟ้องพู้เจ้าเลยอย่างนี้โดนหมดเลย มีตัวอย่างในครั้งพุทธกาลหมดนะจน๊ะนะเราต้องไปศึกษาดูเราจะเห็นลอยเดียวกันนะ่ะกิเลสมันเดินตามมาเหมือนกันหมดเลยสองพันกว่าปีที่แล้วค่ะปัจจุบันนะดังนั้นความผิดทุกอย่างเคยถูกทำมาแล้วในครั้งพุทธกาลทั้งนั้นตั้งแต่ปาราชิกสี่สังฆทเศสิบสามนะความผิดทุกประเภทเขาทำกันมาครบถ้วนหมดแล้วแล้วพระเจ้าบัญญัติครอบคุมหมดแล้ว ปัจจุบันก็ทำความผิดได้ไม่เกินนี้หรอกสามารถเทียบเคียงวินัยไปได้นะครับกศการพระอาจารย์ครับปัจจุบันเนี่ยผมขยักครับดั ง, ด, งดังเดียวครับปัจจุบันนะครับผมเห็นว่ารุษานิรุชนเราเนี่ยครับเวลาทำบุญทำทางนะครับตามวัดต่างๆ เป็นการหวังเพื่ออยากจะได้บุญได้บุศลหรือว่ า, อ, าอยากจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือว่าได้ร่าได้รวยเนยความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาหรือ่าครับการทําแค่บุญอย่างเนี้เหรอหมายถึงการทําทานเนี่ยนะทั้งบุญทั้งทา น, นครับตามวัดตา่างๆที่ว่ า, า, าการให้บริจาคซื้อที่ดินในวัดโดยมีการประกาศ ครับแล้วก็บอกว่าทําบุญร้อยหนึ่งให้รวยร้อยล้านอะไรเงี้ยครับจะได้ยินกันมาบ่อยๆนะครับแม้กระทั่งเราทําบุญใส่บาตรทุกวันแล้วเราก็บอกว่าหวังว่าเราจะได้บุญอย่างเงี้ยอความคิดเช่นนี้ยเป็นความคิดที่ถูกต้องตามแักพุทธศาสนาหรือเปล่าครับอคืออย่างนี้บุญคืออะไรบ้างต้องดูบัญญัติพระธถามกบุญกิยาวัตถุสามนะทานศีลนะแล้วก็ภาวนา ทานการให้จาคะให้เพื่ออะไรเพื่อละความตรนีนะละความตรนีออกจากใจอั น, นิี้สงของการละความตรนีเป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่อย่างนี้อ่าจาค่ะที่ให้เนี่ยเป็นผู้ให้ข้าวน้ําผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูกป้ายที่นอนที่อยู่อาศัยประทิปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์จัดไว้กับพระนางมริกาเป็นเหตุให้ได้โภคะมากมีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากนะ เ น, นั้นสิ่งต่างๆเนี่ยบัญญัติไม่หมดเรียบร้อยนะเหตุของการให้ทานมีอ น, นิสงส์งอย่างอื่นอีกเช่นว่าเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามนะบริวารชนของเขาเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคําคําพูดของเขาไม่ส่งจิตไปที่อื่น น, นี่อ น, นิสงส์งของการให้ทานและทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดภัยอันเกิดจากน้ําไฟนะจากโจรจากพระราชาจากทายาทอันไม่เป็นทีรัก เรื่องต่างๆเหล่านี้อะไรที่เกิดเลยความรู้ของเราก็จะต้องดูว่าเราศรัทธาในตถาคตไหมว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนะก็ต้องเพ่งพิสูจน์ต่อไปอย่าง น, นี้ไม่มีเงินทําบุญได้ไหมได้รักษาศินพระองค์บอกการรักษาสินเป็นมหาฐานชั้นเลยไม่มีตังสักบาทจะทําบุญทํำยังไงรักษาสินหน้าเลยสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลิยเป็นอภัยทานอเวลทานอภัยญาประชาทาน อยากจะปล่อยนกปล่อยปลาแล้วไม่ต้องรักษาศินข้อที่หนึ่งพระองค์บอกเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณนะรักษาสินข้อที่สองเป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณเห็นอนะืมแง่มุมพวกนี้ที่เราไม่เห็นนั่งสมาธิได้นิสงฆ์มากกว่าอีกมากกว่ารักษาสินเป็นร้อยเท่ามากกว่าทําทานเป็นร 100, ้อยเป็นพะันเท่านะอยากได้นิสงฆ์มากมือ้อล่ะนั่งสมาธินะ เลือกได้วพระองค์ก็พูดชัดๆนะไม่อยากทําทานรักษาศีลเลยอยากได้มากกว่านั้นไหมนั่งสมาธินั่งเงียบๆสงบๆ ส, สบายๆรู้ลมเข้าลมออกอันนี้นั่งทําทานไปร้อยปีอันนี้นั่งสมาธิหลุดพ้นไปแล้วนี่นั่งทําทานอยู่ร100อยปีร้อยชาติยังไม่หลุดพ้นเลยใช่ไหมพระองค์จําแนกแจกแจงไว้เรียบร้อยหมดยังมีคนบางคนตําหนิผู้เจ้าวันเนี่ยสอนแต่ให้ทานกับสาวกของตนเอง เห็นแก่ตัวผู้เจ้าบอกไม่ใช่พระองค์ไม่เคยพูดอย่างนั้ น, นะคนมันไปพูดผิดอีกพระองค์บอกว่าแม้แต่เทเสรน้ําล้างหมอ้อลงในน้ําโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ด้วยกันโยมล้างหม้อเสร็จนะอเทไปเอาสัตว์เล็กๆเล่นลายลูกน้ําได้กินหน่อยแค่เนี้เป็นบุญแล้วนะอ่าฉะนั้นเลยจะทํากับมนุษย์ได้กั น, น แต่มนุษย์เนี่ยเหมือนกันหมดไหมไม่มนุษย์ทุศิล์นะมนุษย์ที่ปราศจากการปุถุชนผู้ปราศจากการปุถุชนผู้มีศิลปมีศิลปเป็นอริยะก็ได้นิสงต่างกันอีกนี่คือรายละเอียดยอมแงม่มุมการให้ทานมีเยอะมากนะรวมได้เนี่ยกว่าพะสตรแล้วตอนนี้ในเรื่องของทานอย่างเดียวการให้ทานที่หวังจะไปว่า <c oughs> คิดว่าให้ทานแล้วจะได้ไปสู่ติโลกสวรรค์ ในบางมุมผู้หญ้าบอกเข้าใจผิดสวรรค์ไม่ได้มีสําหรับคนทุศินนะถ้าโยมทุศินแล้วทาทานเยอะๆหวังจะได้ไปสวรรค์ผู้หญ้าบอกเข้าใจผิดแล้วนะ เ, เธอจะไปเกิดเป็นเดรลฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรลฉานมันก็ตามไปส่งผลในภพของเดรลฉานนะภายใต้าการให้ทานเท่ากันก็ส่งผลสู่สุคติโลกสวรรค์สาหรับผู้มีสัมมาทิฏฐิและแง่มุมการให้ทาน ให้แล้วหวังไม่หวังหรือให้แบบอุเบกขาให้เพื่อละความตัวหนีนะแยกแยะชั้นของเทวดาได้เทวดาเหมือนกันแต่ชั้นต่างกันนะทำแบบปล่อยวางเนี่ยได้มากกว่าเขาได้กว่าพวกหวังเนี่ยพระเจ้าจะแจกแจงเอาไว้ดังนั้นเราต้องตอบด้วยความรู้ของพระตถาคตไงใช่ไหมอ่าอันนี้คือมาตรฐานที่สุดนะแล้วทุกคนก็เลือกเอาเองไงนะ นี่หลายพตรนนะเนี่ยเอามารวมไม่ฟังนะพูตรเหล่านี้เราสืบค้นได้นะใน เ, เนี่ยในพวกแท็บเล็ตพวกเนี้ยนะได้ทำไว้ให้นะในมือถือพวกเราโหลดตอนนี้ก็ได้คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปนะอืม อาจารย์คะข้อมูลเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเนี้ยอระอาจารย์คะอย่างนี้แค่ทานตัวเดียวเนี่ยก็เป็นประตูเป็นบันไดไปสู่พนันธิพานได้เลยเนะพรอาจารย์ได้และทานที่ลึกซึ้งปลานีที่สุดก็คือการให้ทานในขันท่าหลุดพ้นได้เลยนี่แง่มุมที่ไม่ค่อยเคยเห็นดังนั้นแค่ทานอย่างเดียวเนี่ยทานพอขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นทานในเรื่องของนามธรรมละเป็นอภัยทานอเวลทานอภัยญาปชาทานเริ่มลึกขึ้นละ พอลึกขึ้นไปปุ๊บละอารมณ์พยาบาทเบียดเบียนการพยาบาทเบียดเบียนเริ่มลึกขึ้นอีกละเป็นสัมมาสังกัปปะละลึกขึ้นไปอีกก็คือละความพอใจในขันห้าเสียสละให้ไม่ยึดถือว่าขันห้าเป็นเราสละหม ด, ยหดเ ย, เดยเห็นไหมาทานจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของโสดาบันบุคคลที่ตัดไว้กับช่างไม้ เป็นผู้มีจาระาอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้ยินดีในการขอเป็นผู้ควรแก่การเสียสละอย่างนี้อยู่คลองเรือนยมอยู่คลองเรือนยมเป็นโสดาบันไดนะจาแนกแจกฐานตามสติกำลังนะทานที่จะทานที่ปลานี่หรือเศร้าหมองก็ตามสำคัญที่ตัวศรัทธาถ้ายมมีความศรัทธาแต่ทานยมเนี่ยเศร้าหมองมีของไม่ดีไม่เป็นไรศรัทธามาก่อนยมให้ทานล้านหนึ่ง คนนี้ให้ทาน100บาทโนะยมให้ทานล้านหนึ่งเนี่ยมีตั้งแสนล้านนะแต่โยมให้ทานร้อยหนึ่งโอ้โหมีอยู่200ร้อแบ่งเป็นร้อยหนึ่งการเสียสละโยมมากกว่าคนนี้นะเห็นไหมอ่าจากะโยมเนี่ยมากกว่าเห็นไหมตรงนี้ได้มากกว่าน้ําหนักตรงนี้อ่าดังนั้นทานจะเศร้าหมองหรือปลานี้ก็ตามตัวศรัทธานี่สําคัญเห็นไหมถ้าโยมไม่มีศรัทธาให้ให้ไปนะ ไม่มีค่าเลยนะอย่างนี้ อ, อ, อเข้าใจนะเนี่ยอีกอีกุกมูมินึงที่ที่บอกวันก่อนเนี่ยเรื่องเรื่องหนังสือที่เป็นพุทธวจ น, นะนะหนังสือนี้ก็เป็นเขียนว่าพุทธวจนะเหมือนกันไส้นเนี่ยจะเป็นของที่วัฒนาป่าพง์ทั้งหมดแต่ปกเป็นของที่อื่น ไม่เป็นไรนะจริงๆไม่เป็นไรแล้วก็เขียนว่าพุทธศาสนะด้วยดีช่วยกันเนผยแพ่นะไม่ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีความผิดอะไรคำพุทธเจ้าไม่มีลิขสิทธิ์จะมายึดถือลิขสิทธิ์ในคําตถาคตไม่ได้หรอกนะแต่ปัญหาคือไม่ไม่ใช่คําพุทธเจ้าทั้งหมดเพราะว่าพออ่านไปอ่านไปในหน้าหลังเนี่ยเขามีคลิมานนทสูตรนะปรากฏว่าคลิมานนทสูตรเนี่ย มันแต่งใหม่ทั้งหมดนะเพราะพอไปเช็ค ก, กับคลิมานนทสูตรในพระเตวิโดกฉบับสยามรัฐแล้วมันคนละเรื่องกันนะนั้นของแท้คือตัวนี้เราจึงชี้ไปที่พระเตวิโดกฉบับสยามรัฐที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคเสาหินโศกที่มาถึงรอหนึ่งมาถึงรอ5มาถึงปัจจุบันนะนั้นคลิมานนทสูตรตัวเนี้เขาบอกว่าดูก่อนอานนท์ น, น, นี่นี่เรียนวลีคำพูดทูตเจ้าเลยนะคนละยิ่งคิดว่าใช่ เมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมมณฑลแล้วท่านจงบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญานามสัญญาคือว่ารูปกายตัวตนทั้งสิ้นนี้นามได้แก่จิตตสิคนี้ให้ปลงทุละเสียอะไรดูเหมือนใช่แม้ดูเป็นภาษาธรรมะนะแต่จริงๆผู้เจ้าตัดจริงๆคือบอกว่าดูก่อนอนน์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการนี่บอกสัญญาสองประการนี่สัญญา10ประการคนละเรื่องนะ สัญญาสิประการเนี่ยนะมีอะไรบ้าง 1. อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนาวสัญญานะปหานสัญญานะอนิจจสัญญาก็คือสัญญาในความไม่เที่ยงอนัตตสัญญาสัญญาในความไม่ใช่ตัวตนอสุภาษสัญญาสัญญาในเรื่องของความไม่งามในกายอาทีนาวสัญญาก็คือสัญญาที่เห็นโทษนะในความเห็นโทษ ปหานสัญญาสัญญาในการปะหานกิเลสวิราฆะสัญญาสัญญาในการสลัดคืนนิโรธาสัญญาสัญญาในความดับสภะโลเกณะพิริตสัญญาสัญญาว่าในโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นสภะสังขารเรศวนิจจะสัญญาสัญญาว่าสังสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงทั้งสิ้นนะแล้วก็อาณาปานสตินี่คือ10สัญญาแต่นี่บอกว่ารูปสัญญานามสัญญาไม่มีเลย นะแล้วจะมีผิดอีกหลายคำเยอะแยะไปหมดเลยนั่นคือแต่งเองข้อคิดก็คือให้ระวังด้วยว่าถึงแม้เขาจะบอกหนังสือว่าเป็นพุทธศสนะต้องอใช้หลักมหาประเทศสี่อย่ารับรองอย่าคัดคา้านเอามาตรวจสอบก่อนหรือใช้หลักที่ตัดไปกับภาราธวาชะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนั้นหน้าวันนี้คำตถาคตเนี่ยมีให้ตรวจสอบได้แล้วก็รวดเร็ววินาทีเดียวเราเช็คได้แล้ว เพราะฐานข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์หมดปลิ้นมาปุ๊บนี่ตรวจเลยเอ๊ะใช้คลีมานนจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่ดังนั้นในข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกเนี่ยคือตัวนี้อันนี้คือแต่งใหม่แค่นั้นเองก็ส่วนการไปเผยแปล่ไม่ได้ตำหนิอะไรเรื่องนี้ใครจะทำใครจะ copy ้อะไรก็ตามสะดวกอ่เช่นเช่น h <sighs> m ออันนี้เป็นบ่อยเนาะเห็นมีคนแจ้งมาเรื่อยตอนนี้มีผู้ชมออนไลน์210ท่านจากประเทศไทยลาวเกาหลีออสเตรเลียอเมริกาอังกฤษสเปนออส สวีเดนไต้หวันฝรั่งเศสจากเชียงใหม่เขาถามมาว่าทาด้วยความเคารพนะครับหากเราเป็นนักดนตรีเราก็จะมีความสุขอยู่กับเสียงดนตรีที่เราเล่นถือว่าเราติดในกามใหม่ก็ติดอยู่เนาะแต่ก็เป็นโสดาบันไดนี่สินห้าบริบูรณ์น ะ, ะก็เล่นยังเล่นดนตรีได้ฟังเพลงดูหนังได้นะแค่สินห้าให้บริบูรณ์แล้วมันคงปะลาลัตนาใย สวนหลวงกทมอขอรายงานผลการรับชมสนทนาหลังฉันวันนี้สัญญาณหลุดกระตุกเป็นระยะถีมากสัญญาณไม่ค่อยดีเหตุว่าจะตรวจสอบดูอีกทีคำถามทางอินเทอร์เน็ตหมดนะมีใครจะเพิ่มเตมเิมอะไรไหมนะเที่ยงกว่าแล้วนะ อยากอีกสักคถามสองคำถามก็ได้ถ้าใครยังกังใจบางเรื่องอยู่เอาจารย์คะสัญญาในที่พระอาจารย์เทศปตะกีนี้หมายถึงในแง่มุมไหนคะการพิณาต่างเนี่ยมันเป็นสัญญาหมดแหละนะอสุภะที่เราพิณาเนี่ยพระองค์ก็เรียกสัญญาอสุภะสัญญาหรือเราเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยพวกองค์ก็บอกเป็นสัญญาอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตสัญญาการหมายรู้ในสิ่งนั้นว่ามันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยน แตกสลายนะซึ่งพระองค์บอกว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชานะมันทำให้ความรู้เกิดขึ้นได้นะอาารครับส่วนประกอบของวิชาอีกอันหนึ่งเทียนไดอารูปรูปอารูปนี้ก็เป็นวิชาเป็นสัญญามอนกันนะอ๋อครับเป็นสัญญาต้องพิจารณาให้เป็นส่วนประกอบเพืนจากสัญญาใช่ใช่นักด น, นตรีเมื่อสักครู่ที่ถามเนี่ยถ้าใช้พุทธวจนะว่า เนื้อที่อยู่กระบวงแจะไม่ติดบ่วงตรงนั้นก็ได้ไได้ได้ได้เนาะอาจยกับสัญญาที่ว่าอกัสัญญาตัวที่เป็นอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารต่างกับสัญญาตนันเดียวกันอันเดียวกัน่ที่หายแปลว่าสัญญาที่แปลว่าปกักจับในอีกสัญญามันหลากหลายเยอะมาก สัญญาคือความจําได้และหมายรู้นะความหมายรู้ว่าหมายรู้สิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนี่เป็นสัญญาด้วยสมาธิทุกข่านเป็นสัญญาพระองค์จึงบอกสัญญามีประมาณมากก็เหมือนกับดินน้ําไฟลมก็มีประมาณมากนี่ของแข็งไหมของแข็งนี่ของแข็งไหมของแข็งนี่ของแข็งไหมของแข็งโอ้โหบานเลยของแข็งนะใบไม้ต้นไม้อย่างเนี้ยนะความละเอียดของธาตุเนี่ยมันมีเยอะมากพระเจ้าจะเป็นคนจําแนกแจกแจงความละเอียดของธาตุเอาไว้อย่างเนี้ย เปนะ็นความเข้าใจเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเสพเข้าไปนะมิสเารกานครับต่อจากคำถามที่บอกาถ้ายังเรายังอยู่ในวงการบันเทิงการดนตรีอะไรเงี้ยตราบนะตราบใดที่เรายังมีการละออกจากวงการนี้เราก็ไม่มีทางที่จะหลุดไปจากการปฏิบัตินี่หรืนะเปล่าฮะไม่อ่ะถ้า พระพุบอกเปรียบเหมือนเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงคือคนที่ยัง อ, อยู่กับกามแต่ไม่ติดกามเนี่ยสามารถทําได้คือ 1. ต้องเห็นอสสาธาคือรสอร่อยของกามและ2เห็นอาทีนวะคือโทษของมันและ 3. รู้จักนิสระนะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากมันด้วยการละความเพลินถ้ายอมละความเพลินเรื่อยๆเห็นโทษเรื่อยๆเราเล่นดนตรีไปเราก็เห็นโทษของมันนะ ไม่ใช่เล่นดนตรีไปด้วยความแบบเออเพลิดเพลินไปจนแบบว่าลืมพิจารณานะนะดังนั้นถ้าคนมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างเนี้ยคนนั้นเนี่ยเอาตัวรอดได้พระเจ้าบอนนะดันั้นไม่ไม่ได้ยากเกินไปอยู่ที่โยมเนี่ยเห็นแงม่มุมและพระเจ้าเนี่ยจะเป็นคนชี้แงม่มุมซึ่งจริงๆแล้วทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นและทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจามากขึ้นว่าเอ๊ะ นิพพานไม่ได้ไกลเกินเอื้อมทำได้แค่สินห้าแค่มั่นคงในพระราชนตรนตัยแค่นี้ก็สุตบันได้แล้ววางความเชื่ออย่างอื่นหมดไม่เชื่อเชื่อว่าพุทธเจ้าถูกต้องที่สุดรักษาศีล น, นั่งสมาธินะไปไหนก็ได้ทั่วไม่มีปัญหานะอยู่ที่กรรมนะ่ะถ้ากรรมจะเป็นอย่างไรก็ยอมรับและบอกปรงก็บอกวิธีแก้กรรมหรือดับกรรมไว้ให้ก็อยู่กระลมหายใ จ, จเจริญสีปทาน4ี มักแปดหลุดพ้นจากกรรมได้ทั้งหมดก็มีวิธีเอาชนะมันกรรมนะอย่างเนี้ยนั้นถ้ายิ่งรู้พุทธพชนะมากเนี้ยสะดวกขึ้นง่ายขึ้นทุกจะหมดไปนั่นเองนะีอืมนะนะก็คงพอสมควรเนาะนี้นะนอนุเวทนากับทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำาคตากตก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดวังสิ่งใดก็ให้สำหรับขมความ สมความปรารถนาที่สุดข้ายได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาข้อตการในใกล้โดยทุน้าการทุกตันทุกคน